เพื่อจะศึกษาว่าเขาสังวรกันยังไงวิธีสังวรเนี่ยปกติเนี่ยจะกล่าวกว้างๆบอกว่า เ, ออเพียงแต่สังวร น, นั่นนะเพราะจิตมันจะได้ไม่เป็นอกุศลอย่าไปเพ่งในนิมิตในอนุพัญชนะเนี่ยนะครับก็ <c oughs> ปรากฏว่าสูตรนี้มีการสแสดงวิธีสังวรโดยเฉพาะในอัตถกถา แสดงไว้ชัดเจนนะาะพออ่านแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นว่าผมเป็นผู้จัดการที่แนะนำท่านอาจารย์มานี่ไม่ผมรู้สึกว่าท่านทั้งหลายจงมั่นใจเถิดนะครับผมเชื่อว่าผมคงไม่นำ วิยากรที่ที่สอนผิดพลาดมานะผมกล้าพูดนะเอ่อที่ท่านอาจารย์เคยได้กล่าวว่าเมื่อเราเจออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่สังวรหรือว่าเราไม่โยนนิสสมาศิการแต่ละอารมณ์นั้นเกิด จิยี่สิบประเภทเนี่ยได้แก่อกุศลรจิตสิบสองกับกุศลจิตยี่สิบเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะหนึ่งในยี่สิบไม่พ้นอันเนี้ยเมื่อไม่พ้นอันนี้นี่นะครับเราอยากจะให้เป็นแบบไหนโดยมากเนี่ยเราก็มักจะถ้าไม่สังวรก็ตกมาในเรื่องของตัวอกุศลเป็นสิบสองก็หนึ่งในสิบสองทุกทีไปเนย ตอนในสูตนนี้ผมอยากแนะนำให้ท่านนำไปอ่านนะครับเพราะว่าท่านยกตัวอย่างไว้ดีมากเลยว่าถ้าเจอสุภาพนิมิตรหรือปฏิฆาณิมิตเนี่ยแล้วก็ท่านโยนิโสยังไงน ะ, ะจึงจะจิตของท่านจึงจะเป็นกุศลน ะ, ะจิตของท่านจึงจะไม่ตกไปในอกุศลนะในอัจธกิาอธิบายไ ว, ไว้ดีมากเลย นะสรุปแล้วก็คือการที่เราโยนนิสโสมนัสิการเป็นนะเช่นสมมติ ว, ว่าถ้าเจอสุภาิมิตท่านก็บอกว่าให้เจริญลักษณะที่เป็นเรื่องธาตนะุมีการแยกธาตนะุหรือว่า จเจริญในลักษณะที่เอาอาสุภะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยมกักท่านมักจะเน้นในเรื่องในเรื่องบุคคลนะครับเช่นสมมุติว่าภิกษุนี่นะฮะถ้าเห็นบุคคลนะฮะที่งามหรือไม่งามนี่นะครับถ้าไม่โยนิโสมนั้นการจิตก็เป็นปฏิฆะหรือมันนั้นก็เป็นเป็นราคะไปนะท่านจะเน้นอย่างนั้นนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยท่านก็บอกว่าใช้เมตตาเนี่ยเป็นเครื่องจเจริญ น, นะครับก็จะทําให้ จิตไม่เป็นอกุศนเอ่อผมสนใจามานานแล้วตอนนี้คนที่จะโยนโนิโสมรัิการเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีข้อมูลพอไหมนะแล้วโยนโนิโสมรัิการนี่นะครับหรือว่าอินทรีย์สังวร น, นี่ครับมีความสําคัญมากเลยเพราะว่าจะนําไปสู่สุจริตสามแล้วก็สุจริตสุจริตสมก็จะนําไปสู่การเจริญสติประฐานสี่ เพราะฉะนั้นยังไงยังไงเราต้องทําความเข้าใจให้ได้เลยอินซียะสังวรนี่และผมเชื่อว่าไปเขเมรเนี่ยผมอยากจะให้ท่านอาจารย์พูดเรื่องนี้เพราะมันเราอยากก้าวขึ้นไปถึงสุดๆดเรื่อยเลยน่ะนะครับก้าวไปสุดๆุดเลยข้างหลังมันยังบกพร่องอยู่อะ่ะเพราะว่าขันน้นต้นมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์อะแล้วเราก็จะไปกล่าวสูงสูงก็ก็กล่าวได้แต่ว่าข้างล่างต้องทําความเข้าใจให้ใ ห, ใ, หให้ให้ละเอยียดอีกทีเพราะท่านให้ความสําคัญมากเลยอินทียะสังวรนี่ พูดไว้ชัดเจนมากเลยอินทรีสังวร น, นี่ตั้งแกหอนเดีงันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคือเราเนี่ยเห็นกำแพงมาเห็นรั้วเห็นอะไรเนี่ย เห็นมาเยอะจริงๆเลยนะไม่เคยเอามาตรึกเป็นธรรมะสักอย่างเลยไม่เคยเอาสักครั้งเลยเพราะนั่นนั่งรถไปขบโปเนการเหลือไปเห็นกำแพงบ้านนึกถึงนึนถึงอินรีสังวรซีนท่านบอกว่าถ้าหากว่าปาติโมกขสังวรเนี่ยนะถ้าไม่มีอินรีสังวรเนี่ยปาติโมกสังวรนั้นก็ไม่บริบูรณ์หนกันกับพร่องกับแพ่งเป็นทีละเหมือนกับนาเนี่ย เนืนาที่บุคคลตักดำลงไปและไม่มีรัว้วเพราะถ้าไม่มีรั้วเนี่ยนะถ้าท่านนึกภาพออกในของมาเนี่ยเป็นเป็นชาวชนบทรู้เลยว่านานาไหนที่อยู่ข้างทางแล้วไม่มีรัว้วนะควายเวลามันเดินไปมันก็ขมึอบอีกตัวขามอบทีละต้นสองต้นก็ไปเรื่อยอ่ะจะถูกเขาเมอบถูกกินไปเรื่อยอทีนี้ศีละที่เราสมาทานกันก็เหมือนกัน เนี่ยนะทั้งคารวาสก็คือกุศลกรรมบททั้ง10ประการถ้าพระภิกษุท่านก็พระปาติโมกเนี่ยนะในพระปาติโมกหรือพระวินัยที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงถ้าหากว่าไม่เกิดการสังวรเนี่ยนะกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยหายไปตั้งนานแล้วเนี่ยนะก็คือเหมือนกับสนทนากับสัมมณเณรว่าสัมมณเณรระบทเข้ามาเนี่ยนะ เราก็นึกว่าวินัยของเราเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยถามว่าวินัยทั้งหมดนี่เป็นกุศลหรืออกุศลนะถามว่าคำสอนที่เรารักษาพระวินัยขึ้นเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลก็ทุกคนก็ต้องตอบว่าเป็นกุศลใช่ไหมเอาขณะเราที่นึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราชอบใจเนี่ยเป็นกุศลข้อไหนขณะนั้นพระวินัยทั้งหมดของเราเนี่ยยังเหลือไหมแล้วก็ถาม ถามว่าวินัยเป็นโลภะไหมไม่ใช่ถ้าจิตเป็นโลภะเกิดขึ้นพระวินัยยังเหลือไหมในขณะนั้นเอากุศลนะไม่ไม่ล่วงก็จริงแต่ถามว่ามีไหมถ้ามีอยู่ที่ไหนพอจิตมันเกิดทีละทีละอย่างทีละชนิดเนี่ยนะอ้าวถ้าโทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะพระวินัยมีไหมตอนนั้นเนี่ยนะไม่มีโมหะเกิดขึ้นวิจิกิจชาเกิดขึ้นอุทจจะเกิดขึ้น กุศลธรรมไม่เกิดเมื่อกุศลธรรมไม่เกิดเนี่ยนะเราจะบอกได้ไหมว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่เจริญกุศลอยู่ในขณะนั้นกุศลเจริญอยู่เพราะว่าในขณะนั้นเราไม่มีอินทรีย์สังวรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วในขณะที่จิตเป็นอกุศลทีนี้ถ้าจิตเป็นอกุศลเนี่ยเราจะจะห้ามจะป้องกันอย่างไร แต่ถ้ากล่าวถึงเรื่องการห้ามการป้องกันนี่นะทำให้นึกถึงข้อความในสัปพาสะวะสังวรสูตรที่ที่พระองค์ตรัสว่าถ้าหากว่าภิกษุเนี่ยนะเมื่อไม่สารวมอยู่ถ้าถ้าไม่สังวรทั้งหกาวานเลยเนี่ยอาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเธอสารวมอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแคนย่อมไม่มีแก่เธอ ด้วยอาการอย่างนี้นะอินทรีย์สังวรก็คืออารมณ์6สรุปแล้วในโลกนี้นะสองเคราะห์มาหมดแล้วก็เหลือแค่ทวาร6ก็คืออารมณ์6เท่านั้นแหละไม่ใช่รูปก่เสียงไม่ใช่เสียงก่อกลิ่นไม่ใช่กลิ่นก็รสไม่ใช่รสก่อโพธาภ า, าไม่ใช่โพธาภาก่อธรรมารมธรรมารมณมีทั้งบัญญัติและปรามัดนะบัญญตรรัติก็ธรรมารมปรามัดก็ธรรมารมณ์พันสรุปแล้วเรารู้อารมณ์ทุกๆอารมณ์ตั้งแต่เชา้าจนเย็นเลยเย็นยถึงนอนก็ช่างทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่เรารับรู้เนี่ยนะ อารมณ์นั้นจะเป็นอดีตอารมณ์ก็ตามอนาคตอารมณ์ก็ตามปัจจุบันอารมณ์ก็ตามอารมณ์ภายในก็ตามอารมณ์ภายนอกก็ตามก็คืออารมณ์เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์เนี่ยนะถ้าเรารับรู้ด้วยจิตที่เป็นโลภานี่นะเรียกว่าถ้าโลภะจิตเกิดขึ้นแสดงว่าเราถือสิ่งนั้นโดยสุภานิมิตถ้าเราโทสะเกิดขึ้นในอารมณ์ต่างๆก็ถือว่าอารมณ์นั้นเราถือโดยปฏิฆานิมิตทําไม่พิจารณาอารมณ์นั้นๆ อารมณ์นั้นก็เป็นอุเบกขานิมิตตรงบอกว่าเมื่อเธอไม่สำรวมอยู่คือชาวณะที่มรับรู้อารมณ์ทั้งหมดนะถ้ากุศลไม่เกิดนะอาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อก่อนในฟังแล้วไม่เข้าใจนะฟังก็เฉยเฉยเลยคำนี้ทีนี้ถ้าเราคิดจะเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างนะเราจะอ่านพระไตรปิฎกให้กุศ ล, ลจิตเกิดสืบเนื่องอย่างเดียวเลยนะ ไม่ให้มีอารมณ์อย่างอื่นมาเลยให้มีแต่ธรรมะอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้หรอกเดี๋ยนะเดี๋ยวไอ้พวกที่ไม่เคยสังวรมาเนี่ยจะโผล่มาหมดเลย <c oughs> คุณจะปิดที่ไหนล่ะลองเอานั่งนิ่งๆดูสิเพราะนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่โผล่มาในขณะที่เรากําลังนั่งเฉยๆเนี่ยนะอารมณ์เหล่านั้นคืออารมณ์ที่ไม่เคยสังวรมาแม้แต่อารมณ์เดียวเอาเลยนะให้ให้ยกขึ้นมาเลยหนึ่งอารมณ์ถมมตนั่งนั่งอยู่เฉยๆแล้ววัดขึ้นมาเลยอุปนิสัยที่สะสมมาเนี่ยนะอารมณ์นั้นว๊ัโผล่ขึ้นมาเลย พี่ตกไปตรึกถึงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วเคยสงเคราะห์ อ, อารมณ์นั้นลงคําสอนสักข้อไหมรู้เลยไม่เคยมีอินทรีย์สังวรเลยแล้วตอนนี้เนี่ยเห็นภาพชัดเจนนะอ อ, อารมณ์ตั้งแต่สมัยเด็กๆมันเข้ามาหมดเลยเนีย่ยนะไปเป็นเด็กอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงเคยไปเห็นใครรู้จักใครเนี่ยนะมันมาหมดเลยทั้งๆนี่ไม่ควรมาก่อนมาอยู่เฉยๆแวบขึ้นมาเฉยๆยัๆยงงั้นแหละเนี่ยนะ พลับขึ้นมาเอมาทำอะไรเนี่ยคือคืออยู่ๆเนี่ยพอมันได้เวทนาที่ใกล้เคียงกันปั๊บเวทนานั้นก็จะเข้ามาวิตกก็จะตรึกถึงอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะทั้งอารมณ์อ่าอดีต ท, ทั้งใกล้บางใกล้บางอดีตเป็นสิบปีก็มีอดีตเป็นยี่สิบปีก็มีอดีตยี่สิบกว่าปีก็มีแต่ไม่ถึงสาม่ิบะถ้าส0มสิบก็แสดงว่าเราลึกชาติได้แล้วนะก็นนคือประมาณนันแหละ ยีกว่าปีเนี่ยมันลึกได้มันจําได้ไปสมบูรเยอะแยะไปหมดเลยนั่งเล่าได้เป็นตุเป็นตานะถ้าจะนั่งเล่าอ่ะพอสังเกตว่าเอ อ, อารมณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยนะไม่เคยสังวรเลยไม่ได้ปารบสงเคราะห์กุศลธรรมลงในอารมณ์นั้นๆเลยแต่ถ้าอารมณ์ใดก็ตามที่เราดึงคําสอนใส่ลงไปนะอยากจะให้นึกโดยสุภาณิมิตมันก็ไม่นึกเพราะอะไรเพราะเราใส่คําสอนลงไปเพราะนั้นอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยก่อให้เกิด อาสวะและความเร่าร้อนอมีมีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ที่เรานึกถึงแล้วเราต้องอเรียกว่านึกถึงแล้วก็โท ม, มนัตเวทนาเกิดขึ้นเป็นบางครั้งเลยนะแล้วก็มาทบทวนดูเอ้เราเคยมีสังวร์กับบุคคล น, นี้ไหมเนี่ยนะไม่มีเลยเพราะเราเข้าไปถือโดยสุภาพนิมิตยินดีว่าเป็นญาติเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรที่เคารพนับถือแบบเรียกว่าเคหะศิตะเนี่ยนะ เรว่าความรักอาศัยเรือนว่าเออนี่เป็นลุงเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นญาติเราเป็นเพื่อนเราเอ่ะเข้าไปนึกในลักษณะนี้ ส, ส่วนใหญ่เรียกว่าความรักที่อาศัยเรือนเกิดขึ้นทีนี้ถ้าบุคคล น, นั้นต้องจากละ่ะถามว่าเราดีใจไหมถ้าเราต้องจากกันก็ไม่ดีใจเพราะฉะนั้นตอนที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะจะไม่เห็นอาสวะและความเล่าร้อนหรอกแต่เมื่อใดที่เราบอกว่าคนนี้ต้องจากเรา หรือคนนี้เข้ามาก่ออย่างใดอย่างหนึ่งให้นะนั่นแหละอาสะวะและความเร่าร้อนต่างๆก็จะตามมาหลังจากที่ที่ได้รับอารมณ์นั้นนันแหละเพราะฉะนั้นทุกๆอารมณ์นะถ้าเราไม่ฝึกสังวรน ะ, ะยกตัวอย่างนะสมมติถ้าหากว่าผู้ที่ฝ่ในการศึกษาคําสอนเนี่ยนะใฝ่ในการเรียนธรรมะเนี่ยนะอ่านพระไตรปิฎกสักเล่มหนึ่งมีพระไตรปิฎกเล่มนึ่ ถ้าเราไม่เคยพิจารณาในความเป็นจริงของตัวหนังสือเล่มนี่นะถ้าเกิดมันหายะจะว่าไงอาสะวะและความเร่าร้อนเกิดไหมะนะอชอบเอกสารเล่มนี้มากดีจริงๆเลยลองพวกเอาไปทิ้งดูสิอาสะวะและความเร่าร้อนจะ ก, ก่อให้ทันทีเลยเห็นจะเกิดทันทีเลยทุกๆเรื่องเลยนะใ น, ในยกหนังสืออย่างเดียวหรือรองเท้าก็ได้เอถ้าไม่เคยพิจารณาเรื่องรองเท้าเลยนะ ไปที่ไหนแล้วเอ๊ะเราจอดไว้ตรงนี้นี่รองเท้าเราอ่ะหายไปไหนแล้วเหลือข้างเดียวเงี้ยอชักไม่ค่อยสนุกนะเหมือนกันนะแต่นึกธรรมะได้ก็ค่อยอยังชั่วหน่อยแต่กว่าจะนึกธรรมะได้เนี่ก็หายอยู่ตักสามสี่ตลบนั่นแหละกว่าจะเจอถ้าไม่เจออีกก็บางท่านก็บอกอใช้กันมาตั้งนานก็ไม่น่าหายเลยของน่ะ น, นะนะก็จะก่อความเสียใจให้อีกเนี่ยนะทุกๆเรื่องเลยโดยที่สุดแม่รองเท้าอ่ะก็จะก่อความเสียใจให้แก่เราเนี่ยนะ อย่าว่าถึงรถราไม่ว่าบ้านช่องญาติพี่น้องลูกหลานเลยเนี่ยนะในทุกๆอารมณ์เนี่ยจำเป็นต้องพิจารณาทั้งหมดจริงๆถ้าไม่พิจารณาเนี่ยวันหลังเสียใจแน่เพราะอะไรที่สุดของการถือโดยสุภานิมิตผลของเขาเป็นอย่างไรนเนี่ยนะรู้ไหมถ้าเราถือยึดถืออารมณ์โดยสุภานิมิตผลของสิ่งนั้นเป็นอย่างไรนเนี่ยนะบอกว่าผลก็คือ โศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนไปเนี่ยนะคือคือสิ่งที่เราชอบเนี่ยนะมีความเปลี่ยนแปลงไหมพระองค์บอกว่าเออเราเองก็มีชาติเป็นธรรมดาเราก็ยังยินดีสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาก็าบอกว่าแม้แต่แก้วแวนเงินทองก็สิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาเพราะเป็นอุตุสมุทฐานเกิดจากอุตุเนี่ยประชุมกันขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถามว่าชาราเป็นต้นก็คือยังไงสิ่งเหล่านั้นเสียหายไป ไม่ได้ไม่ได้งามเหมือนเดิมแล้วหรือต้องเปลี่ยนมือคนไปเนี่ยนะนั้นอาศัยสิ่งเหล่านั้นก่อให้เกิดทุกขโทมนัสและอุปายาตเนี่ยบ้านช่องห้องหอที่ดินที่เลือกสวนไร่นาหญ้าเส้นเดียวเนี่ยก็ก่อให้ทุกข์ให้เรานะแม้แต่หญ้าเส้นเดียวเนี่ยก็ก่อก่อทุกข์ให้แก่เราถ้ามองอยู่แค่นี้เราก็จะไม่เห็นความลึกซึ้งส่วนหนึ่งก็คือทุกทุกอารมณ์เนี่ยเราไปรับรู้ด้วยจิตชนิดใด รับรู้ด้วยโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างมหากุศลบ้างเจตนาที่เกิดร่วมกับชวนะนั้นมีผลไหมมีผลเมื่อมีผลเนี่ยเราทํากรรมมาทุกอารมณ์เลยไปไปไปทํากรรมกับทุกๆอารมณ์เลยนะอารมณ์ที่เห็นอารมณ์ที่ได้ยินอารมณ์ที่รับรู้กลิ่นเนี่ยเราทากรรมมากับทุกๆอารมณ์ เมื่อทํากรรมกับทุกๆอารมณ์แล้วเนี่ยนะตัณหาก็ทําหน้าที่ของตัณหาไปเจตนาก็ทําหน้าที่ของเจตนาไปวิตกก็ทําหน้าที่วิตกไปวิจารณ์ก็ทําหน้าที่วิจารณไปทีนี้เราบอกเออทาพวกนี้เป็นอนัตตาถ้าอนัตตาเหล่านี้ใครรับอ่ะกรรมที่อนัตตาทำเนี่ยนะถามว่าเจตนาเป็นอนัตตาไหมเป็นเอาแล้วเจตนาที่อนัตตาทำนะใครเป็นคนรับแทนนะใครนะใครๆทักคิดนะ อนัตตารับอีกอเป็นอนัตตาแต่ เ, เรียกว่าอถ้าพูดโดยประมาทศัจจะก็เรียกว่าเป็นอนัตตาแต่ก็คือสมมุติว่าของอามาไปยืมสตังค์ใครไว้เมื่อสักสิบปีที่แล้วเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเอา้าคนละคนกันแล้วคุณมาทวงผิดคนแล้วตอนนั้นเขาอายุเท่านั้นอะ่ะเป็นต้นเนี่ยนะ เขาชื่อแบบนั้นเขาหน้าตาไม่ได้เป็นอย่างนี้คุณมาเทียบดูคนละเรื่องกันแล้วถา ม, ม่าพูดอย่างนี้ได้ไหมอา้าวเราเมื่อสิบปีที่แล้วเป็นคนเดียวกับคนนี้ไหมคนเดียวไหมอาจะว่าคนเดียวก็ไม่ใช่อาจจะว่าคนละคนก็ไม่ใช่ถ้าถ้าคนละคนนะก็จะไม่ไม่แบบแบบนี้อีกแต่ถ้าคนคนเดียวกันก็ต้องเหมือนเดิมนะก็เป็นปัจจัยสืบเนื่องกันมา เันเมื่อความสืบเนื่องเป็นไปอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสังสาระเนี่ยนะความเป็นไปตามลําดับของขันธ์ธาตุอายตนะของความรู้สึกนึกคิดสืบเนื่องกันไปบางอย่างเป็นเหตุบางอย่างเป็นผลอนะเพราะฉะนั้นเหตุก็คือเหตุแหละอยากให้นี่มันสืบอยากอยากให้นี่มันหยุดตรงนั้ น, นอยากให้สืบ ไม่อยากให้เติบเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมแต่ทีทับทีตอนที่ทำบุญโอ้ยศูนย์ไม่ได้จะเอาจะเอาแต่ที่บาป ท, ที่ทำเนี่ยแหมมันอนัตตากันอยากให้มันไม่ให้ผลนะอ่ะผมออลองอ่านดูนิดหนึ่งนะเผื่อว่าจะได้เกิดความอยากไปอ่านูตรนี้บ้างนิดเดียวอ่า เป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งน่าเกลียดว่าไม่น่าเกลียดเป็นต้นนี่โยนิโสอย่างไรเจอสิ่งที่น่าเกลียดนะครับและโยนิโสว่าไม่น่าเกลียดเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยทำยังไงคือด้วยการแผ่นะครับด้วยการแผ่เมตตาหรือด้วยการเอาธาตุมาเทียบเคียงกันเจ็คพัน น, นี่แสดงว่านี่เป็นเรื่องเป็นโยนิโสมรณะชิกาลถ้าเห็นปฏิฆะนี่นะสิ่งที่น่าเกลียดนะครับ ด้วยการแผ่ความไม่งามอขอโทษมาเทียบเคียงกันในสิ่งที่น่าเกลียดคือด้วยการแผ่เมตตาหรือด้วยการเอาทานมาเทียบเคียงกันในสิ่งที่น่าเกลียดก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่น่าเกลียดได้นี่เป็นเรื่องของเห็นปฏิฆะแล้วโยนิโส ว, ว่าไม่เป็นปฏิฆะก็ได้ คือในสมมติไปเจอเข้าวของอะไรที่เราไม่ชอบใจเนี่ยนะเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งโทสะใช่ไหมเป็นที่ตั้งแห่งโทสะยกตัวอย่างก็คือคนที่ที่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะโกรธถึงกับจะเค้นจะฆ่าอะไรเขาหรอกเพียงแต่ทําแล้วเราไม่ประทับใจสักอย่างใช่ไหมเนยนะวางข้าวของเป็นต้นเกะกะแล้วก็นึกไม่ชอบเนี่ยนะถามว่าในขณะนั้นเนี่ยเราสามารถนึกเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยนะแต่ถ้าหาว่าสมมตินนะลูกหลานเราทํำข้าวของเรี่ยราดเลยนะ ้ก็ลูกหลานเรานะเมตตามเกิดในะขณะนั้นอะ่ะ เ, เขาก็ลูกหลานเรานะคือคือในความเป็นมิตรก็จะเกิดขึ้นกันทันทีเมื่อความเป็นมิตรเกิดขึ้นเนี่ยในขณะนั้นก็จะไม่น่ากเกลียดแล้วใช่ไหมขณะนั้นเพราะฉะนั้นไอาการเจริญเมตตาก็คือการที่สามารถเปรียบเทียบอุปมาอุปไ ม, ปมได้ฉลาดคิดนั่นเองนะว่าเอาเอไม่น่ารังเกียจไม่น่ากเกลียดเขาก็คือลูกเราเขายังไงยังไงก็คือญาติเรานั่นแหละ ถ้าเรานึกแค่นี้ป้าเราจะไม่นึกโกรธแล้วนะแต่ทีนี้ไอความคิดอย่างนั้นเนี่ยจะเสริมเพิ่มพูนพัฒนาให้ให้เป็นมหากุศสอย่างสืบเนื่องได้ไหมอันนี้ส่วนหนึ่งนะที่ว่าเห็นสิ่งที่น่าเกลียดแล้วคิดว่าไม่น่าเกลียดเห็นไหมอันนี้นี่เป็นฤทธิ์นะที่จริงเป็นฤทธิ์นะเป็นเอ่อเป็นฤทธิ์ของพระอริยมรรคเป็นฤทธิ์เป็นความพิเศษของพระอรหันต์อย่างหนึ่งเหมือนกัน ว่าพระรหาท่านเห็นสิ่งที่ไม่น่าเกลียดท่านเห็นเป็นน่าเกลียดได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าเกลียดท่านเห็นไม่น่าเกลียดก็ได้หรือน่าเกลียดก็ได้หรือวางใจเฉยก็ได้หรือเห็นของที่น่าเกลียดแต่ท่านไม่เกลียดนะครับท like ่านสามารถน้อมความคิดของท่านนึกอย่างไรก็ได้เพราะท่านเป็นผู้ที่ชำนาญในมหากริยาจิตเนี่ยนะจะให้มหากริยาจิตพลิกอารมณ์ไปอย่างไรก็ได้ ว่าปฐมฌานเนี่ยนะปฐมฌานเนี่ยมีกี่อารมณ์อนาปานสติก็เป็นปฐมฌานเนี่ยนะอสุภาษสัญญาเนี่ยนะปาชาแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นปฐมฌานกายยัคตาสติก็เป็นปฐมฌานพรหมวิหารแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยนะหนึ่งทสามก็เป็นปฐมฌานวันท่านสามารถคิดให้เป็นปฐมฌานได้ต่างหลายอารมณ์เนี่ยนะอาศัยสิ่งเดียวนี่นะป่ารบให้เป็นนิมิตอะไรก็ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความ ฉลาดคิดของเราที่จริงอารมณ์ก็อยู่อารมณ์ของเขาเป็นอย่างนั้นนะถ้าอย่างอย่างเรามองเห็นสีเนี่ยนะถ้าใส่ใจว่ามหาพูดเป็นนิสยาปัจจัยแก่สีต่างๆเหล่านี้นะความรู้สึกมันก็พลิกไปอีกอย่างนึงเลยน ะ, ะมันอยู่ที่สัญญาเหมือนกันการเจริญธรรมะเนี่ยต้องอาศัยสัญญาไหมถามว่าสัญญามีความสําคัญไหมในการเจริญกุศลธรรมมันต้งมีครับท่านยกทําไมพ้านนจึงเป็นเอตทะะัคะ ใช่ไหมเรื่องเรื่องมีสติเนี่ยเรื่องมีทิติเรื่องมีค ต, ติเนี่ยนะเพราะพระนนท์นนเป็นผู้ที่มีความสา ม, มารถในการกําหนดจดจําอะไรได้อย่างแม่นยํามากดังนั้นเราเจอหนึ่งอารมณ์นะเรากําหนดจดจําคําสอนนะใส่ลงไปพิจารณาดึงคําสอนใส่ลงไปใส่ลงไปบ่อยๆได้ถ้าใครที่ฝึกลักษณะนี้ได้มากๆคนนั้นน่าจะมีพระธรรมเป็นสารณะจริงๆผู้ที่ฝึกได้นะฮะใน ในสูตรนี้ท่านบอกว่าฝึกได้รวดเร็วเหมือนกับว่าเหยียดแขนออกไปเท่านั้นเลยสามารถเปลี่ยนจากอากุศลเป็นกุศลได้รวดเร็วเหมือนเหยียดแขนหรือเปรียบเหมือนกับการถมเคละออกจากลิน้นปลายลิน้นด้วยรวดเร็วขนาด น, นั้นหรือเหมือนกับหยดน้ําลงไปในกระทะที่ร้อนทั้งวันทั้งวันนั้นปุ๊บเก่งเลยแสดงว่าท่านเปลี่ยนอนาะรมณ์จาก ทันทีเลยทันทีได้รีวดเร็วนี้ท่านยกตัวอย่างว่าพุทุชนสังวรยังไงไม่สังวรยังไงพระอริยบุคคลสังวรแล้วมีลักษณะยังไงไม่ไม่ไม่สังวรมียังไงถ้ายบุคคลรีวิวเร็วยังไงบ้างพูดหน้าฟังอันนี้ถ้านัาก็ต้องมันฝึกนะเพราะว่าถ้าเราฝึกเรื่องนี้อ่อนนะฝึกจิตที่ไปรับรู้อารมณ์เนี่ยเป็นจิตชนิดต่างๆอะไรบ้างนะถ้าฝึกอย่างนี้ไม่ได้เวทนานุปัสสนากับจิตานุปัสสนาไม่ได้ ถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสุภาณิมิตเราจะรู้ได้ยังไงว่าโสอนนี้จิตเป็นราคะถ้าเราไม่รู้จักนี้เป็นปฏิฆานิมิตรู้ได้ยังไงว่าจิตเป็นโทสะถ้าหากว่านี้เป็นอุเบคานิมิตเรารู้ได้ยังไงว่าจิตเป็นโมหะสุภาณิมิตให้เวทนาเท่าไหร่โสมนัสเวทนากับอุเบคาเวทนาเวทนานุปัสสนาก็จะเข้าใจา ย, ยากเนี่ย ไม่ใช่ไปทำให้มันปวดขึ้นมาก่อนแล้วก็จะได้เออนี่เวทนามาจะขอนักแข้งให้จะเอาทุกข์ขนาดไหนก็ได้เอาบวมแปงอะไรก็ได้ถ้าอยากทุกข์กันนะทุกข์ถอดรองเท้าไปเดินเหยียบบนหินก็ได้อยากให้มันเห็นเวทนาชัดๆแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เวทนาเฉพาะทุกขะกายะอย่างเดียวเพราะเวทนาเกิดร่วงกับจิตกี่ดวงเวทนาเกิดร่วงกับจิตกี่ดวงทุกดวงนั่นแหละ เขาไปบอกว่าสิบดวงอะไรแยเลยนะเพราะเวทนามนเกิดร่วมกับจิตทุกดวงกันแหละมีจิตดวงไหนบ้างที่ไม่มีเวทนาประกอบนะขณะเห็นขณะได้ยินเป็นต้นถ้าไม่ไม่พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเวทนาไหนเป็นเวทนาที่มีอมิตรเวทนาที่ไม่มีอมิตรเพราะเวทนาเนี่ยนะยกตัวอย่างโสมนัตเวทนาถ้าถือโดยสุภาพนิมิตเวทนานั้นเป็นสุภาพนิมิต เวทนาที่เกิดร่วมกับมหากุศุเป็นเรียกว่าไม่อาศัยอามิดอย่างเงี้ยมันก็ต้องแยกอย่างนั้นจึงจะเจริญเวทนานุปัสนาได้เนี่ยนะถ้าแยกสิ่งเหล่านี้อ่อนนะเวทนานุปัสนาก็อ่อนจิตานุปัสนาก็อ่อนธรรมานุปัสนาเนี่ยหายเงียบเลยไม่ต้องพูดถึงเลยเนะพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยนับว่าหยาบแหละเวทนาก็นับว่าหยาบไอ้พวกเจตสิกอย่างอื่นๆเนี่ยนะละเอียดกว่านั้นอีก เพราะนั้นถ้าพื้นฐานสิ่งเหล่านี้เราไม่ค่อยแม่นก็ยากเหมือนกันว่าไงนะเสนาธิ์เนี่ยนะหยาบสิ เ, ออพเพราะเขาเป็นประธานของทั้งหมดอะเป็นประธานของของเจตสิกทั้งหมดเลยเนี่ยนะเขาเป็นใหญ่ในการรับรู้อารมณ์เนี่ยนะเขาเป็นใหญ่ในการรับรู้เนี่ยนะเมื่อเทียบกับอย่างอื่นแล้วเพราะจิตเนี่ยถึงความเป็นอธิบดีด้วยเนะ จิตนี้เป็นทั้งอธิบดีด้วยเนี่ยนะเป็นทั้งอะไรนะอิธิบาทเป็นเป็นได้ทั้งหลายอย่างเนี่ยนะเั้นจิตเนี่ยเป็นนับว่าเป็นใหญ่โลกยธรรมทั้งหมดพระองค์เนี่ยยกจิตเป็นประธานเนี่ยนะยกจิตเป็นประธานในโลกยธรรมทั้งหมดนะแต่ทีนี้เราก็ต้องมันฝึกบ่อยๆเลยนะว่าเห็นหนึ่งสีเนี่ยก่อให้เกิดจิตได้กี่ดวงหนึ่งเราเห็นเนี่ยเราสามารถจิตเราเป็นอะไรได้บ้างนะต้องตรึกอย่างนี้แล้วก็จะเห็นในความเป็นอายตนะก็ง่ายด้วยนะ นะศึกษาเรื่องอายตนะก็ง่ายหนึ่งนะเราเห็นหนึ่งสีเนี่ยก่อให้เกิดจิตดวงใดได้บ้างนงึสีนั้นก่อให้เกิดจิตของใครได้บ้างเมื่อวานนั่งรถมาครับคุณหมอหมอบอกว่าเนี่ยนะถนนเส้นนี้ที่เรามองไปข้างหน้าเนี่ยเป็นที่รับอารมณ์ของคนมากี่คนแล้วใช่ไหมเออถนนเส้นนั้นอะ่ะมันก็คือตรงตลาดพยอมอะ่ะเป็นที่รับรู้ของคนกี่คนแล้ว ก็แสดงว่ารับรู้มามากจิตมากขนาดนั้นถนนเส้นนั้นเป็นอายตนะไหมเป็นอายตนะภายนอกของจิตกี่ดวงอะไม่รู้อะนขนขณะนี้เขาก็รับรู้กันอยู่และตรงนี้ก็เหมือนกันนะทุกๆ ท, ท่านเนี่ยก็เป็นอารามณะปัจจัยของชาวนาของธรรมาเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าจักรู้ด้วยกำลังของบุรุษแล้วว่าคิดอะไรอะคิดไม่ดีก็ไปไม่ดีตามอนุภาพของคืออนัตตาจริงนะแต่เจตนามีผลนะ น, นะ ดวงที่หนึ่งชาตินี้สูตรแม่นๆหน่อยจะได้เฮริโอตาปะมากๆเนะพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่เห็นโทษของความนึกคิดเมื่อยามเห็นไปแล้วเนี่ยนะเพราะว่าการเห็นอย่างเดียวจากขรูทวารจริงแต่ว่ามโนทวารวิถีจะเกิดสลับกับการเห็นเนีย่ยนะได้ยินเสียงสุนัขเห่าเนี่ยมโนทวารวิถีสลับเอ็มเหา่าเร่ออะไรนะมโนทวารวิถีสลับคิดโน่นคิดนี่กับการได้ยินเนี่ยสลับกันเนี่ยนะทุกอารมณ์เนี่ยนะมโนทวารวิธีจะสลับ ถ้าเราไม่สามารถฝึกมโนทวารวิธีได้เนี่ยนะสุดท้านเนี่ยอธิษฐานให้อุปนิสัยดีๆเกิดขึ้นเนี่ยนะการเห็นว่าเราเป็นอกุศลทั้งนั้นเลยเนี่ยนะอกุศลเหล่านั้นมีโทษหรือไม่มีโทษเนี่ยนะตรงนี้ต้องต้อ ง, องเอาเรื่องนี้มาเพ่งให้มากๆจริงๆ <c oughs> ถ้าเราเพ่งเรื่องทุกโทษของการไม่สังวร น, น้อยไปการสังวรเราก็จะอ่อนศีลจะบริสุทธิ์ได้เพราะศีลจะพองแผ่ได้เพราะหนึ่ง เห็นโทษของการทุศีนเห็นโทษว่าเมื่อทุศีนะอะไรจะเกิดขึ้นบ้างหลังจากนี้ไปแล้วถ้าสังวรศีล น, นจะมีผลดีอย่างไรต่อไปบ้างสองตัวนี้ต้องแม่นมากถ้าเห็นสองตัวนี้แล้วจะเจริญต่อไปได้แต่ถ้าไม่เห็นสองตัวนี้มนนานั่งฝึกเ้เราเนบ้าหรือเปล่มนนามานั่งคิดอะไรอยู่เนี่ยคิดทําอะไรเนี่ยชาวบ้านชาเมืองก็ไม่เห็นคิดเหมือนเราทัากคนเลยเนะ ก็ต้งนึกถึงนัาขาสูตรนะนะฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินเนี่ยไหนมากกวกันเราเป็นฝุ่นหรือเป็นแผ่นดินเราเทียบกับเรากับผู้ที่เขาฝึกแล้วเนี่ยฮห่างไกลกันมากผู้ที่เขาฝึกดีแล้วนะครับเมื่อปฏิคฆานิมิตเกิดขึ้นหรือสุภะนิมิตเกิดขึ้น <c oughs> เขาสามารถเปลี่ยนเป็นกุศลได้รวดเร็วขนาดที่เหมือนกับเหยียดมือออกรวดเร็วขนาดนั้นแต่ของเราสุภะนิมิตเกิดขึ้นทีงเราเอาไป ปลื้มใจตั้งเจ็ดวันตอนหนุมน่มๆเอาไปคิดเป็นเดือนไปเจอคุณนายทิยงเนี่ยบอมาคิดเป็นวันอะไรย่างเงี้ยโอ้มันห่างไกลกันมากมันห่างไกลกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่สําเร็จกับผู้ที่เป็นปุถุชนนี่ห่างกันมากห่างกันมากถ้าไม่ดีนะพระอริยะท่านบอกว่าท่านถมทิ้งนะ่ยเหมือนกับว่ารวมไอ้เขละปลาลิน้นแล้วถมปุ๊บไปเลยนี่แสดงว่า ท่านไม่ดีเปลี่ยนเลยถ้าเจอปฏิฆะ<ช>ของเราเอามาเก็บมาอาคาดเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็มีบางคนสิบปีสิบปีบา ง, บางคนทั้งชีวิตเลยนะเพราะฉะนั้นมันต่างกันขนาดนั้นครับก็นึกถึงที่ในในเรื่องอาสวะทิละได้ด้วยการอดกลั้นเนี่ยนะที่กล่าวถึงพระเทะรูปหนึ่งเนี่ยท่านกำลัง ตากแดดนะกำลังตากแดดและเจริญกรรมฐานอยู่นะกำลังต่อเนื่องอยู่แล้วลูกศิษย์ท่านบอกว่านี่มลเข้าร่มนะครับตรงนี้ทางโน้นมันร้อนอยู่ที่นี่เย็นก็บอกว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้เพราะกลัวความร้อนนะเาะะคือร้อนท่านก็นึกถึงว่าความร้อนในอบายกับความร้อนตรงนี้เนี่ยนะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเนะเพราะาท่านได้รับความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยจิตของท่านเนี่ยตรึกเรื่องมหาคุศลอย่างเดียวเลยนะตรึกคําสอนอย่างเดียวเลย คือการการคิดถึงธรรมะนั้นอ่ะไม่ได้คิดเอาเองนะียเราไม่ได้คิดเอาเองเลยนะี่เพรา ะ, ะการตรึกที่ที่ถูกต้องเราก็ต้องในความเป็นสาวกอะ่ะคําสอนว่ายังไงต้องตรึกตามแนวคําสอนอย่างเดียวถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาตรึกสงสยัยครับเขาจะไปหาผู้ทรงพระไตยปิฎกที่เป็นครูเป็นอาจารย์ของเขาก็จะแนะนําต่อไปได้ของเราก็เหมือนกันของเราก็อาศัยมีพระไตยปิฎกอยู่แล้วเนี่ยนะเราก็อ่านไปด้วยฝึกตรึกไปด้วยอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมา เราเนี่ยนึกนึกไปก็เออบุญน้อยไม่ได้เกิดในยุคนั้นน่ะนะแต่ก็ถ้าเรามานั่งร้องโอดครวญว่าโอ้ยบุญน้อยบุญน้อยก็ไม่ต้องปฏิบัติกันแล้ชาตินี้เนี่ยนะก็รอรอให้บุญมากรอแล้วบุญจะมากขึ้นไหมไม่มากครับเราเพราะเราใช้บุญเก่าของเราไปเรื่อยเป็นมนุษย์เนี่ยบุญเก่านะเพราะนั้นเราได้บุญเก่ามาดีมาเป็นมนุษย์แล้วใช้บุญเก่าไปเรื่อยแล้วก็บอกเราเนี่ยบุญน้อยบุญน้อย เราเกิดท่านศาสนาพระศีอานเป็นต้นเนี่ยนะนั่งรอนอนรอจิตเป็นโลภะต่อไปแต่คิดดูขนาดนี้ยังน้อยเลยนะไปเจอท่านน่าจะน้อยกว่านี้เพราะอะไรเพราะเราเริ่มใช้บุญหมดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปเรื่อยๆไปถึงท่านเลยหมดบุญเลยคันนี้หมดพอดีเลยตอนนั้นเพราะเกิดในอบายเลยเพราะใช้วิบากของกรรมดีไปเรื่อยไปแล้วแล้วในช่วงระหว่างนี้เราไม่ได้ทําบุญอย่าลืมว่าชาวนะของเรามีอยู่สองชาติท่านั้นเองนะ ชาติกุศลกับอ่ะกุศลนี่อยู่สองชาติเขาบอกว่าผมใช้เฉยๆคำว่ากันผมอยากทําตัวให้มันเฉยๆเออเฉยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเฉยเนี่ยมันเกิดร่วมกับจิตห้าสิบห้าดวงนะลองไล่ดูนะเฉยบางอย่างก็เกิดร่วมกับโลภะแปดวงเห็นไหทานข้าวแบบเฉยๆอย่างเงี้ยนะแต่ก็ทานได้แตงเป็นชามอย่างเงี้ยแบเฉยแบบนั้นเนี่ยเฉยโลภะน ะ, ะนะไรนะนนโลภะนั่นจนวไม่ใช่โมหะถอย่านะ โลภะนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอารมณ์ไม่ใช่อา ร, รมนาที่ปติมันเลยไม่โสมนัตนะนะ <c oughs> คือไม่ใช่อาหารของโปรดว่า ง, งั้นเถอะแต่ก็ทานได้ไปตั้งเยอะแยะเนี่ยแต่ว่า <c oughs> นะเ <c oughs> ท่ารัดจนถึงไม่ใช่อา ร, รมณาที่ปฏิท่านั้นแหละคือถ้าอารมณ์ที่ปติจะก่อให้เกิดโสมนัส น, นี่ก็เป็นอารมณ์ธรรมดาหรือเฉยอีกอย่างหนึ่งเอยแบบอุทจฉะฟุง้งไปเรื่อยเนี่ย หรือเฉยแบบมหากุศลถ้ามหากุศลมีสูตรว่าเฉยเป็นไปกับเฉยแต่ปารบเรื่องทานเฉยปารบศีลเฉยปารบวิปัสนาเฉยปรารบคําสอนอะคิดถึงคําสอนนะแต่ว่าเวทนาเป็นอุเบกขาทีนี้ถ้าเวทนาของมหากุศลกับเวทนาของอกุศลนเนี่ยนะแตกต่างกันเวทนาของมหากุศลมีมุทุตามีกรมมัญญตามีปารุญญตามีละหูตาเกิดร่วมด้วยเวทนาของอกุศลมี อุทะจะเกิดร่วมด้วยมีนะมีอุกกุจะใช่ไหมมีโมหะเ ก, กิดร่วมด้วยนะมีโทษอย่างอื่นเกิดหมดเลยเนะี่ยมันจึงมีความแตกต่างกันมากเพราะนั้นทําตัวเฉยๆก็ไม่ใช่ว่าจะฉลาดขึ้นนะนะนะหรือไปทําให้มันดีใจนะหัวเราะคืลเคงเลยตลกโบคาไปเลยพระองค์บอกว่ า, วาเสียงหัวเราะแบบธรรมดานั่นแหละเสียงร้องไห้ของพระอริยะอ่นะนะนะแล้วก็นึกเอ๊ะทำไปศึกษาดีๆจะให้เราทํำยังไงกันแน่เนี่ย ให้ไปทํำยังไงหรือเปล่าเนี่ยนะคือทําก็ทําเถอะแต่ว่าขอให้เข้าใจซะอย่างเนี่ยนะถ้าบอกว่าต้องไปนั่งหรือต้องไปนอนหรือต้องไปยืนหรือต้องไปเดินเนี่ยนะก็อิรยาบทใดที่สามารถเจริญกุศลได้มากคิดกุศลได้เยอะๆก็ทําไปเถอะเพราะว่าอิรยาบทพระองค์ก็แบ่งไว้เป็นส่วนส่วน2ควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีเนี่ยนะคือถ้ากุศลเจริญควรเสพถ้ากุศลไม่เจริญ ไม่ควเรเซฟเนี่ยนะต้องแยกออกเหมือนกันเด้อแยกสภาพจิตออกเลยว่าเมื่อรับอารมณ์อย่างนี้นจิตเป็นอย่างไรนะเมื่อเห็นจิตเป็นอย่างไรเมื่อได้ยินจิตเป็นอย่างไรเนี่ยนะถ้าเราศึกษามาทั้งตัวอารมณ์และตัวจิตมาเป็นอย่างดีเราก็จะฝึกอ่านความคิดของเราไปเรื่อยๆเนี่ยนะวิจัยเรื่องความคิดเสร็จ แ, แล้วถ้าภายนอกเขาเห็นในอารมณ์เดียวกันเขาจะคิดอย่างไรเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเรานึกเอ้ยนึกนึกยากนะ อารมณ์หนึ่งอารมณ์เนเอ๊ะเขาเามีความคิดยังไงเอาเรื่องอาชีพมาตั้งนึกเป็นสายอาชีพเลยคนอาชีพจัดดอกไม้เขาเห็นดอกไม้เขาจะคิดยังไงใช่หมสายอาชีพจะคิดคนละเรื่องคนละเรื่องเลยนะตามสมควรแก่อาชีพของตนของตนนะการเห็นอะไรแต่ละอย่างเพราะอาชีพนี้ก็คือคนที่ซ่องเสพอารมณปัจจัยนั้นบ่อยๆในเรื่องนั้นเรียกว่าอาชีพนั้นนั้นนะ นะกายกรรมวจีกรรมที่เป็นไปกับอารมณ์ใดบ่อยเครียกคนนั้นทําอาชีพนั้นแหละเราะนั้นอาชีพที่สะสมนั่นคืออุปนิสัยของเขาเมื่ออุปนิสัยของเขามาเจออีกอารมณ์หนึ่งเนี่ยเขาก็จะคิดตามแนวความคิดเดิมๆที่เขาสะสมมาเพรา ะ, ะนั้นอุปมาอุปไมค์ของเขาเป็นต้นเนี่ยนะแนวความคิดของเขาก็ตามเรื่องเดิมๆของเขาที่เขาเคยคิดมาเพราะจิตเนี่ยนะจิตที่สมมุติเราคิดตอนนี้เนี่ยไม่ใช่จิตอันเดิมก็จริง ไม่เหมือนอันเดิมก็จริงแต่อันเดิมเป็นอุปนิสัยเหมือนพระสมบัตินั่งอยู่ตรงนี้กับเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยคนเดียวกันไหมแต่ว่าแนวความคิดทุกอย่างเนี่ยนะอาศัยความอุปนิสัยเดิมๆนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เป็นปัจจัยให้ก็มั่นฝึกถ้าฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะเรื่องปัจจัยนี่จะแม่นขึ้นเนี่ยนะเพราะชาติเรานึกถึงเรื่องปัจจัยเนี่ยให้นึกเป็นชาติแล้วจะเบา คือนึ้โดยอุปนิสยาชานี่นะกลุ่มปกตูนะอรารมณชาตินะวัตถุบุเรชาตชาติอนันตระชาตินาน า, าคคณิกกรร ม, มะเนี่ยนะอันนี้ก็เบาไปเยอะแล้วส่วนรายละเอียดในเรื่องปัจฉาชาตชาติเป็นต้นก็เพิ่มนิดหน่อย์รูปชีวิตตินเดียชาติก็อีกนิดหน่อยอาหารชาติก็อีกไม่มากนักเหมือนกันเพราะฉนั้นถ้าเอาปัจจัยหลักๆกว้างๆกลุ่มสหชาติชาติเป็นต้นมาตรึกแล้วก็จะมองเห็น คำสอนในชีวิตเราเนี่ยมากขึ้นเนี่ยนะแล้วก็จะเห็นหนึ่งอารมณ์ก็สามารถคิดอะไรได้เยอะแยะไปหมดเนี่ยนะเอาคำสอนเรื่องอะไรมาตรึกต่อไปก็ได้นะแต่ว่าต้องเบื้องต้นก็ต้องขยันหน่อยเนี่ยนะมีศรัทธาเนาะถ้าไม่มีศรัทธาก็ยากเหมือนกันเนี่ยนะก็ตถาคตโพธิศรัทธาถ้ามั่นคงขนาดไหนก็สามารถที่จะฝึกได้มากเท่านั้นถ้าตถาคตโพธิศรัทธาอ่อนการตรึกเป็นต้นก็จะ อ่อนตามไปด้วย น, นะครั้งที่แล้วเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการเจริญกุศลธรรมเพื่อกำจัดโทสะว่า ง, งั้นเถอะยังไม่ได้เข้าผมมิหารเท่าไหร่เลยนะแต่ผมมิหารก็พูดสลับไปสลับมาบ่อยแต่ก็คือเน้นว่าคือเน้นพูดชานไปเลยเราก็คงเข้าชานยังไม่ได้นะเพราะว่ากำจัดโทสะยังไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นก็คือเห็นอย่างไรแล้วใจเป็นกุศลได้มากๆอ่ะ mm hmm. เมื่อไปเจออารมณ์ที่เป็นปฏิฆะนิมิตเนี่ยนะสา ม, มารถที่จะยกคําสอนขึ้นมาตารบเนี่ยนะในวิสุทธิมัชฌท่านก็เรียงดีนะถ้าหากว่าเราสังเกตจากวิธีสอนตนเมื่อเกิดความโกรธเนี่ยนะในในสารบัญเนี่ยนะถ้าเราจำหัวข้อเหล่านั้นไปไปตรึกบ่อยๆนี่ก็ช่วยได้เยอะนะจำหัวข้อได้แล้วเจอปฏิฆะนิมิตเนี่ย ลองสลับหัวข้อก็ได้เนี่ยเช่นถ้ า, ถาโทศกเกิดขึ้นมาในเจอเวลาเจออารมณ์นั้นอ่ะก็นึกถึงพระสูตรต่างๆอ่ะอย่างนี้ก็พอได้เนี่ยนะนี่วิธีที่1ใช่ไหมถือข้าใครที่จําพระสูตรได้เยอะก็เอาพระสูตรนี่มาตรึกตามนั้นเลยเนี่ยนะอันหนึ่งอารมณ์นั้นแหละวิธีที่2ก็คือทําไงถ้าไม่ระลึกถึงพระสูตรก็ให้ระลึกถึง ความดีของเขาเขาน่าจะมีดีสักอย่างนะคนที่เราไม่ชอบนี่นะก็นึกถึงส่วนที่ดีของเขาอะ่ะถ้าหากว่าวิธีที่สองก็ไม่เหมาะกับเหตุการณ์ตรงนั้นก็เอาวิธีที่สามไปคืออนะหาอุบายสักสิบอย่างเนี่ยนะอุบายใหญ่ๆ10ิบอย่างในการพิจารณาเมื่อโทสะเกิดขึ้น แต่จริงหลักอันนี้มันก็ควรพีจารณาตั้งกระต้นไว้แล้วนะไม่ใช่ไปรอให้โทสะเกิดจะได้นึกถึงธรรมะเหล่านี้ได้นึกไม่ออกหรอกพราบอกอะไรคนโกรธย่อมไม่รู้อัดคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมเพราะฉะนั้นเวลารอให้โกรธก่อนแล้วนึกถึงธรรมะเหล่านี้ก็อยากกันนะเพราะฉะนั้นตอนที่ใจดีๆนี่แหละตอนที่กําลังมีความสบายใจนี่แหละเอาพระสูตรเหล่านี้มาตรึกบ่อยๆมาปารก บ, บ่อยๆแล้วจะได้สบายใจนะะเวลัง เวลาโทสะเกิดขึ้นก็จะได้นึกถึงอ๋วันนั้นพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นก็จะช่วยผ่อนเบาไปตั้งเยอะนี้ต่อไปก็คือพิจารณาเรื่องกรรมเนี่ยนะกรรมนี้ก็เป็นวิธีที่โบราณจารย์เนี่ยยกมาเป็นกรณีค่อนข้างพิเศษว่างั้นเถอะยกเกือบทุกแห่งเลยถ้าบอกว่าโทสะเนี่ยจะระงับโทสะได้ยังไงท่านบอกหนึ่งในวิธีที่ท่านยกมาก็คือเรื่องเรื่องกรรมเนี่ยนะ รเรื่องกรรมบ่อยๆว่า ง, งั้นเถอะเอาเรื่องกรรมมาตรึกต่อแล้วก็จะถามว่ากล้าโกรธไหมเห็ไนไหมกำลังโกรธนึกเห็นใครปั๊บโทรศัเกิดขึ้นเลยนะเออดีนะชาวนะดวงที่หนึ่งชาตินี้ชาวนะดวงที่7ชาติหน้า2ถึงหชาติที่สามเป็นต้นไปเงี้ยนะโกรธไปนี่เหนะ็นไหมแสดงว่าแกก็โอ้โหนี่ศัตรูของตัวเองอย่างร้การเลยนะใครเป็นคนทําลายตัวใช่ไหมถ้าเอา เ, ออเรื่องกรรมนี่ก็ช่วยได้เยอะเนละ แล้วก็วิธีที่ 5, ถ้าคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชาดกมาเยอะๆนะศึกษาพุทธคุณมามากๆก็นึกถึงบุพเพเจริยาคุณคือวิธีที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะสมัยที่พระองค์เคยเจริญขันติบารมีเจริญเมตตาบารมีมาเนี่ยเก็นึกถึงพระสูตรเหล่านั้นก็จะเกื้อกูลเราได้เนี่ยนะใจของเราก็จะเป็นบาปน้อยๆหน่อยตรงนั้น ดีไม่ดีเนี่ยบาปอาจจะไม่เกิดก็ได้นะแล้วก็วิธีที่6ส่วนใหญ่เราก็จะโกรธคนเนาะก็นึกถึงความเกี่ยวข้องในสังสารวัตนะเคยเกิดเป็นญาติเป็นพ่อเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะเคยเป็นเหมือนเป็นลูกเป็นล้านเป็นอะไรกันเนี่ยนะนึกถึงความเกี่ยวข้องอันนี้เข้าในสังสารวัตที่ยาวนานเนี่ยนะ เฉพาะร้องไห้พระแม่ตาอย่างเดียวก็มากกว่านา้ำทะเลมหาสมุทรแล้วนะนะสมุทรทั้ง4ี่นะไม่ใช่สมุทรเดียวนะแล้วบวกกับพ่อเข้าไปอีกนะีออ่ยโอมากสองสมุทรเข้าไปอีกใช่ไหมบวกกับลูกอีกสองสมือเออสามสมุทรแล้วบวกกับเพื่อนอีกโอ้หลายสมุทรนั้นเนี่ยโอ้น้ำตาเนี่ยซีซูนย์เสียไปนี่มากมายมหาศาลนี่ก็มานึกถึงเออน้ําตาเราเสียไปมากขนาดนี้มีหน้าได้ปัจจัยโทสะเกิดเลยสะสมมามากใช่ไหม ถามว่าร้องไห้จิตชนิดไหนโทรสระนะคิดดูว่าผลของโทรสระคือร้องไห้น้ําตาเป็นสมุดสมุดเนี่ยนะชาวนะที่เป็นโธสะนี่จะขนาดไหนโธสระไม่ได้เกิดน้อยๆ น, นะกว่าจะออกน้ําตาสักทีหนึ่งน ะ, สะแสดงว่าเรื่องนั้นต้องค่อนข้างรุนแรงสะเทือนใจพอสมควรใช่ไหมน้ําตาจึงจะออกนะจิตแต่เชรูปประเภทน้ําตาจึงจะหลั่งออกมาแต่ถ้าธรรมดายาก แต่แสดงว่านึกถึงว่าโอ้โหชาวนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะสะสมไอ้โทสะเนี่ยมากกว่าที่มันเป็นต้นเหตุแห่งสังสารทุกข์เนี่ย โ, โเพราะฉะนั้นก็นึกถึงความเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏเนี่ยนะหรือถ้าหากว่าเขาถ้าเคยเกิดเป็นแม่เนี่ยนะความเกี่ยวข้องความเป็นแม่เป็นลูกกันนี่ก็ช่วยกันได้เยอะต่อไปก็พิจารณาอันนี้สองของเมตตาเออถ้ากโกรธแล้วจะได้อันนี้สองไหมทั้ง ส, สิอั น, นิสงส์แปดอันนสงส์สิบเอดอย่างเนี่ยนะบางแห่งเนี่ยอั น, นิสงส์ดอย่างนะในอธิกานนี้บาดกล่าวอันนสงส์ปดในเอกาทัาส ก, กะกล่าวอันนสงส์สิบเอ็ดนะถ้าหากว่าเราโกรธอย่างนี้อั น, นิสงส์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราไหมอีกวิธีหนึ่งก็คือแยกธาตุใช่ไหมโกรธอะไรกันแนะน่โกรธผมโกรธเล็บโกรธฟันโกรธนั่งเนี่ย น, นะนั่งใครครวน นะแยกขันแยกธาตุแยกอายตนะแยกสัจจะแยกอินทรีย์แยกปฏิจจสมุปบาทแยกให้หมดเลยก็บอกว่าท่านอธิบายในหน้านี่บอกว่าเหมือนอกับเมล็ดพันธุ์ถับนปลายลแหลกแหลมใช่ไหมโทสะไม่รู้จะไปตั้งอยู่กับตรงไหนเนาะคือโทสะจะต้องเกิดในอารมณ์ต่างๆแต่นั่งแยกธาตุหมดแล้วเอ๊ไปโกรธทำอะไรเนี่ยแล้ววิธีที่9 นะซึ่งจากล่าวต่อวันนี้อีกหน่อยก็คือว่าทำทานสังคาิภาคการให้และการแบ่งปันในหน้า20เนาะเออเอกสารฉบับนี้ดีนะพิมพ์ครั้งเดียวใช้ได้ยาวนานมากนะว่าเออดีฮะอย่างนี้ก็คือในทานะนาสังคาิภพ ค, คือการให้และการแบ่งปันเนี่ยนะก็บอกว่าแต่เมื่อไม่อาจที่จะทำการแยกธาดได้ ก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละก็ควรทำการให้และการแบ่งปันคือแยกธาตุแยกอะไรหมดแล้วลหละเขาก็เลิกโกรธใช่ไ้ยเราเนี่ยเลิกโกรธแต่เขาคนนั้นที่เป็นศัตรูเราก็ยังหาเรื่องเราอยู่นั่นแหละยังด่าเราเช้าด่าเราเย็นอย่างเงี้ยไล่เราเช้าไล่เราเย็นอย่างเงี้ยคือเ อ, เอมันก็เหมือนกับเขามาใส่ฟืนให้เรื่อยเนี่ยนะเ อ, ะเอะ้เขาใส่ฟืนมาทีเราก็ดับไปทีหนึ่งไฟโทรศะเราก็ดับไปแล้ว บ่อยๆขึ้นมันทุกวันทุกวันทุกวันด่าเราอยู่ได้ทุกวันอย่างนี้ทําไงเพราะฉะนั้นกั็ควรการให้และการแบ่งปันก็ช่วยได้เหมือนกันการให้นี่นะเพราะฉะนั้นก็คือการให้ให้ของของตอนเนี่ยนะแก่คนอื่นนะตนเองก็ควรรับเอาของของผู้อื่นนันะคือแลกเปลี่ยนข้าวของเครื่องใช้กันเหมือนั้น เ, เถอะถ้าหากว่าผู้อื่นเป็นผู้ที่มีอาชีวะแตกทำลายคือถ้าพระเนี่ยนะเขาไม่ให้ไปใช้ของพระที่ ที่ได้มาจากอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะเช่นบางคนเนี่ยไปอวดอุตริมนุษธรรมได้ข้าวของมาอย่างเงี้ยหรือข้าวของเหล่านั้นไปได้เพราะประพฤติอเนสนากรรมมาเราก็รังเกียจในข้าวของเหล่านั้นเราก็อย่าไปเอาของเขา น, นะก็คือไม่มีบริการที่ควรใช้สอยเลยนะของเขาเขาให้อะไรมาก็ไม่ควรใช้ซากอย่างหนึง่งก็ควรให้แต่ของของตนเท่านั้น เมื่อพโยคีนั้นกระทำอยู่อย่างนี้ความอาฆาตในบุคคล น, นั้นย่อมสงบไปโดยแน่นอนทีเดียว น, น, นะนะออให้ของอย่างเดียวเนี่ยหายโกรธได้นะ น, น, นะสมมติเรานึกไม่ค่อยชอบใครสักคนนึงเอ้ถ้าเกิดเขาให้ของเรานะเกิดอยู่ๆเขามาให้เราโดยที่เราก็ไม่ได้คิดขอไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะก็มันหายไปตั้งเยอะนะหรือเราไปให้เขาเนี่ ย, ยสีหน้าเขาเปลี่ยนไปเยอะกันนะนะเราก็สังเกตดู ก็บอกเมื่อพโยคีทําอยู่อย่างนี้ความอาฆาตในบุคคลนั้นย่อมสงบไปโดยแน่นอนท่านะถ้าเราสามารถที่จะให้ของเขาได้และความโกรธของบุคคลนี้นะแม้ว่าติดตามมาตั้งแต่อดีตชาติก็ย่อมสงบไปในขณะนั้นนั่นแหละเห็นไหมถ้าหากว่าเราให้เป็นเนี่ยเคยพยาบาทเคยอาฆาตจองเวรกันเนี่ยนะหายได้นะเขาบอกว่าท่านยกตัวอย่างนะเหมือนอย่างความโกรธของพระมหาเถระผู้ ผู้ได้บาตรที่พระปินดปาติกะเทระณจิตละบรรพศวิหารนะท่านท่านถวายบาตรให้เลยเนี่ยนะคือพระมหาเทระเนี่ยไปโกรธภิกษุบินทบาทรูปนี้เป็นวัดเนี่ยนะไม่พอใจองค์นี้มากองค์นี้ถวายบาตรเลยหายโกรธเลยนะตั้งแต่เอาบาตรไปเนี่ยหายโกรธเลยนะเลิกพยาบาทเลิกผูกเวรเลยเขาว่าคือพระมหาเทระรูปนี้นะ ซึ่งพอได้บาทก็เลิกโกรธเพราะว่าพระมหาเทระเนี่ยไล่พระบินดปาติกะเทระเนี่ยออกจากที่อยู่ถึงสามครั้งอะ่ะนะไปนี่ยังไงนะไม่ชอบมา ง, งั้นเถอะทีนี้พระบินดปาติกะเทระท่านฉลาดนี่ท่านก็เลยเอาบาดไปให้บอกว่าท่านผู้เจริญบาทนี้มีค่าถึงปะนะแปดกหาปันะก็คือถ้าสมัยนี้เอาบาดสแตนเลสจะให้เลยใช่ไหมบาดสแตนเลสเนี่ยถ้าเป็นหลายๆปีก่อนนี่ก็คือ เนิ้วเจ็ด้อยอ่ะเจ็ดนิ้วครึ่งเจ็ด้อยห้าสิบถ้าบาดแปดนิ้วแปดร้อยเก้านิ้วเก้าร้อยอ่าบาทเก้านิ้วครึ่งเก้าร้อยหสิบเนี่ยสมัยก่อนนะตอนนี้น่าจะเพิ่มแล้วล่ะเพราะฉะั้นแปดกรหาปณะก็อาจจะเป็นอ่าบาทนี่ราคาพันหนึ่งนะนี่ยที่นเนี่ยนะบาทสแตนเลสอะไรคือบาทสแตนเลสก็คือสนิมไม่ขึ้นไงรักษาง่ายดูแลง่ายไม่มีสนิมถ้าบาทเหล็กเนี่ยนะถ้าบริหารไม่เป็นเนี่ย เดี๋ยวเหอชาวมาในสีทองเลยแหละเ <g esp ans> นี่ยนะ <t ik> ต้องไปหาไอ้น้ายาบางอย่างมาเคลือบน้ายาบางอย่างก็มีโทษ <t ik> เจอความร้อนก็ไป <t ik> สารพวกนั้นออกก็ฉันไปแล้วจะมีโทษเนี่ย น, นะทั้ส่วนใหญ่ก็เขาใช้บาดสแตนเลสก็เลยบอกว่าเออบาดอันนี้เนี่ย <t ik> แต่ในคำพีเนี่ย <t ik> ถ้าเพียงไตบอกว่าบาดนี้มีค่ามากเหมือนกันนะแปดกะหาปณะเนี่ยแสดงว่าหลายตังมากเลย ที่อุบาสิกาผู้เป็นมารดาของกับผมถวายให้จึงเป็นลาบที่เกิดขึ้นโดยชอบธรรมเหมอนกันท่านจงกระทำบุญยาลาบให้แกมาหาอุบาสิกาเถอะแม่ฉลาดพูดว่าเออนะท่านเอาไปเนี่ยแม่ของผมคงได้บุญมากจริงๆเลยนะเนี่ยยกย่องในความดีของท่านอ่นะว่าท่านนี่เป็นเนื้อนาบุญนะเพราะฉะนั้นท่านรับของของคุณแม่ผมแล้วเนี่ยโอ้โหแม่ผมคงได้บุญมากจริงๆเลยเนอะนึขณะดนี้คนนี่ก็เพิ่มใจใช่ไหมเออมีคนชมเราฮะอัะนนะั้ ดังนี้แล้วก็ถวายให้เพราะถ้าได้บาตก็หายโกรธแล้วเนาะเออบางคนนี่เป็นอย่างนี้เลยเอาคิดดูนะเด็กเนี่ยเรานึกถึงสมัยเด็กๆ เ, เนี่ยร้องไห้อยู่ดีๆแม่เอากล้วยมาให้อันเดียวแค่นั้นนะ้ายเลยอะ่ะนะถ้าได้ข้าวของเออเนี่ยข้าวของเนี่ยมันช่วยทําให้หายโกรธได้เยอะเนี่ยนะปลอบใจเหมือนกันจริงอยู่ขึ้นชื่อว่าทานนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ข้อนี้สมจริงดังตามที่ท่านโบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่า ทานเป็นเครื่องฝึกบุคคลที่ใครๆฝึกไม่ได้เห็นไหมทานทําประโยชน์ทั้งปวงให้สําเร็จบุคคลทั้งหลายย่อมเงยและย่อมก้มด้วยทานด้วยปิยะวาจาคือนะคนให้ก็เงยให้ใช่ไหมคนให้ไม่ก้มเลแต่คนรับนี่ก้มนะนะส่วนอย่างนี้คมรั บ, บนี่จะก้มเหมือนกันเพราั้นทำให้เงยก็ได้ทําให้ก้มก็ได้เรื่องทานแล้วก็แต่ก็ทานอย่างเดียวเนี่ยนะอย่าไปพูดกระแทกขนาดนั้นเด็ดขาดเลยนะ ฉันมีบุญคุณกับแกนะฉันจึงให้ข้าวของแกเนี่ยอย่าไปพูดคํานี้เด็ดขาดเลยนะคําพูดคํานี้เนี่แหละเขาแทบไม่เอาเลยนะของที่เราให้ไปมันจะต้องกล่าวด้วยคายําไพเราะอย่างเดียวเนี่ยนะต้องฉลาดใช้คำหน่อยเนี่ยนะพ่านเหมือนกับพระรูปนี้ใช่ไหมท่านใช้ปิยวาจาอาวาจาอันเป็นที่รักที่พอใจนั่นแหละนะช่วยอาช่วยใช้ของอันนี้ให้ผมหน่อยนะอย่างเงี้ยอย่ไปบอกว่าของนี้มันเหลือมันเดน่นอะอย่างเงี้ จะเห็นเราเป็นถังขยะหรืองไงไม่จะเอามาทิ้งไงชใช้หน่อ ย, ย <c oughs> นะก็ต้องฉลาดใช้หน่อยนะเออนี่มีประโยชน์นะเห็นไหมนถ้าหากว่าให้ทานแล้วก็ความโกรธอันนั้นเมียมหายได้หายได้ตอนหลังก็เจริญเมตตาไม่ยากละทั้ววเาาทงเราก็หายคนอื่นก็หายด้วยนะคือ <c oughs> ถ้าเรารับของใครบางทีเราก็ไม่ค่อยโกรธใครง่ายๆนะคือพื้นฐานคนเนี่ยจะกรตันอยู่ใช่หม เมื่อรับข้าวของใครสักคนนึงก็ไม่ค่อยนึกอาฆาตใครละแล้วก็ถ้าเขาเนี่ยถ้าเขาผูกเวรกับเราเนี่ยถ้าเขาได้ใช้ข้าวของเครื่องใช้เราบ่อยๆเนี่ยนะเขาก็ไม่ผูกเวรกับเราละไม่ไม่ไมกโกรธเราละเนี่ยนะคือบางทีเนี่ยนะคนที่เทีบางบางท่านเนี่ยถ้าหากว่าเขาโกรธเราจริงๆเนี่ยนะเขาไม่ค่อยชอบใจเราเนี่ยเขบอกว่าการที่ขอความช่วยเหลือคนนั้นเนี่ยนะ ก็ช่วยผ่อนคลายความโกรธของคนนั้นได้แต่ก็ต้องไปขอความช่วยเหลือที่เขาถนัดเป็นต้นเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคอุบายต่างๆในการเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยเขาเมีอธิบายอยู่นะเช่นการไปขอช่วยเหลือเนี่ยนะในงานที่เขาถนัดซึ่งเขาคิดว่าเป็นใหญ่เนี่ยนะเห็นว่าคนที่เขาโกรธเนี่ยเป็นลูกจอกไปขอความช่วยเหลือจากเขาเขาจะมองเป็นแบบเด็กๆ ก, กันนะเขาก็เลยหาเลิกโกรธเลยก็มีอย่างนี้ก็มีก็เหมือนกับผู้ใหญ่บางคนรังเกียจเด็กเนี่ยนะเด็กไปอ่อนน้อมทอมตัวไปพูดที่ เดี๋ยวก็หายโกรธอ่ะก็พูดอีกนัยะหนึ่งก็คือก็เหมือนกับลูกสะั้ยบางบ้านที่แม่สามีไม่ค่อยชอบเนี่ยนะแต่ถ้าจะไปฉลาดพูดฉลาดดูแลฉลาดปรนิบัติไม่กี่ทีร้วแค่นั้นแหละเออนี่ดีนะลูกนะเอานี่ไปเนี่ยดีเลยนะก็ฉลาดเท่าไหน่ก็สบายเพราะว่าโทสะนี่มันมันเป็นจิตชาติกุศลและอกุศลไม่ใช่ชาติวิบากนะเมื่อชาติวิบากบางส่วนก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะ วิบากบางอย่างเช่นผวังนี่แก้ไขไม่ได้ผนะวังขจิตในทั้งชีวิตเลยแก้ไขไม่ได้แต่ชาวนะแก้ไขได้นั้นนั้นชาวนะเนี่ยเกิดจากธรรมะเนี่ยนะมโนกธรรมะมโนวิญญาณจึงจะเกิดขึ้นความคิดจึงจะเกิดขึ้นัน้นถ้าหากว่าเราฉลาดหาปัใจจัยให้ความคิดอีกอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นทันทีเหมือนกับชาวนะเนี่ยนะมันก็เหมือนกับเสียงที่เรามาพูดใช้เครื่องเสียงนี่แหละถ้าปรับให้มันเสียงดังน่าราคาญเลยก็ได้ เนี่ยนะปรับให้มันแผ่วเบาที่สุดก็ได้เนี่ยนะปรับให้มันเสียงทุ่มเสียงทู่เสียงอะไรก็ได้เลยปรับได้นะถ้าปรับปั๊บเสียงก็จะปรับไปตามนั้นฉนันใดความคิดของเราก็เหมือนกันถ้าเราสามารถหาปัจจัยต่างๆได้นะความคิดนั้นก็ปรับตามไปด้วยนะฉะนั้นการสมาทานศีลเป็นต้นเนี่ยก็เป็นเหตุปรับให้โทสะบางอย่างไม่เกิดอ๋ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราสมาทานศีลอนะยงมากัดเมื่อก่อนนี่เห็นแล้วตกเลยตกก็คือโทสะใช่ไหม การสมาทานศีลอันนั้นเนี่ยทำให้โทสะไม่เกิดได้เนี่หรือถ้าหากว่าเราสมาทานการเจริญเมตตาตั้งแต่ต้นเลยออกจากบ้านจะเจริญเมตตาแก่สัตว์ทั้งหมดแล้วยังไงตั้งใจแค่นี้แหละไปตั้งใจจริงๆนะไม่ใช่เสแสร้งตั้งใจจริงๆพอไปเจอเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างร้ายแรงเราก็มีเมตตาต่อไปได้เพราะอุปนิสัยที่ได้ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว วันตื่นเช้ามาเนี่ยถ้าเราตั้งที่จะทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวจิตก็จะคิดหากุศลทำละใฝ่ในเรื่องกุศลนั้นแล้วแต่อัตตาสัมมาปณิทีนะถ้าใครฉลาดมีอัตตาสัมมาปณิที่เนี่ยกุศ ล, ลจิตเขาจะเกิดได้บ่อยเห็นไหมคือหาวิธีการเจริญกุศลได้บ่อยเห็นไหมบางคนเนี่ยคิดหาวิธีทํากุศลเนี่ยนั่งอยู่พักเดียวเนี่ยมองหาเออนั้นทํากุศลได้นี่เข้าไปทํากุศลได้บางคนเนี่ยฉลาดในการเจริญกุศลเป็นอย่างมากเลยนะ ในการช่วยเหลือเกื้อกูล ค, ค, คนอื่นในการเข้าไปทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งหันการเจริญกุศลเนี่ยถ้าเราตั้งใจบ่อยๆนะกุศลจิตก็จะเกิดได้บ่อยๆนี่ถ้าหากว่ากุศลจิตเกิดขึ้นโดยที่ไม่ผูกพยาบาทผูกเวรโกรธเคืองใครแล้วเนี่ยต่อไปก็สบายแล้วเพราะเมื่อโยคีนั้นสงบปฏิฆะในบุคคลผู้มีเวกรกันได้อย่างนี้แล้วจิตก็ย่อมเป็นไปด้วยอานาจเมตตา แม้ในบุคคลนั้นเหมือนอย่างที่เป็นไปในบุคคลผู้เป็นที่รักผู้เป็นสหายที่รักยิ่งและผู้เป็นกลางกลางฉะนั้นคือการที่จะมาตารบอย่างนี้แสดงว่าเจริญให้บุคคลสามประเภทก่อนหน้านี้มาแล้วใช่ไหมคือบุคคลที่เราเคารพนะเจริญเมตตาให้แก่คนที่เราเคารพมาเป็นอย่างดีแล้วเจริญให้แก่ผู้ที่เป็นสหายที่รักยิ่งแล้วก็สมคนกลางๆคือคนธรรมดาทั่วไปสี่ก็ โจรเอ้ยไม่ใช่ศัตรูคู่พยาบาทที่เราเกลียดรังเกียจเข้ามากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็มีเมตตาเท่ากันหมดแล้วในบุคคล4ประเภทนี้มีเมตตาไม่ต่างกันเรานับหนึ่งด้วยนะถ้านับหนึ่งก็ถ้าเท่ากับเราด้วยก็เท่ากับหําดับนั้นพโยคีนี้พึงเป็นผู้ทําเมตตาไปเรื่อยๆยังความเป็นผู้มีจิตเสมอกัน นะสมะจิตตาเนี่ยนะสมะจิตตาตาเนี่ยก็คือความมีจิตเสมอกันในชนทั้งสี่ก็คือในตนเองหนึ่งในบุคคลผู้เป็นที่รักในบุคคลผู้เป็นกลางๆในบุคคลผู้เป็นเวรกั น, น, น, นก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้ทำสีมะสีมาสัมเพทะบางท่านก็สีมะสัมเพทะเนี่ยนะการทำลายเขตแดนต่อไปเถอ ก็ต้องฝึกทำลายเขตแดนเนี่ยนะว่าในสี่คนเนี่ยเมตตาของเราเนี่ยไม่ต่างกันต่อไปนี้เป็นลักษณะแห่งสีมาสำเพทะนั้นคือถ้าหากว่าเมื่อบุคคลผู้เป็นพโยคีนี้นั่งอยู่ณนะที่แห่งหนึ่งพร้อมกับบุคคลผู้เป็นสหายที่รักผู้เป็นกลางๆและผู้มีเวรการมีตนเป็นที่4นั่งอยู่สี่คนเนี่ยนะ พวกโจรมาพบเข้าแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านจงมอบภิกษุให้แกเราสักรูปหนึ่งเถิดเมื่อภิกษุถามว่าเพราะเหตุไรหรือก็ตอบว่าเราจะฆ่าภิกษุรูปนั้นแล้วเอาเลือดที่คอไปเพื่อประโยชน์แกการทำพลีกรรมนะขอเลือดในคอไปทำพลีกรรมหน่อยเมือกันสมควรจะเอาใครของใครไปดี1เราสองคนที่เราเคารพมาก3คนที่รักคนกลางๆและศัตรูนั่นะ เอาใครดีไหนเอาใครนะเอาศัตรูนอะโอ้ะยังสีมาสำเบท่าไม่ได้พะย่างอะไอย่างงี้ลองไปนับหนึ่งใหม่แล้วมั้งแสดงว่าเมตตาไม่จริงอ่ะทีก็บอกว่าในบรรดาภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะคือทั้งหมดเนี่ยพระเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละหมายถึงเพศนะท่านเพราะว่าไอ้เมตตาเป็นการเป็นงานส่วนนี้ส่วนใหญ่พระท่านเจริญกันอ่ะนะะท่านก็เลยยกตัวอย่างพระซะส่วนใหญ่ หากพิสูรรูปนี้คิดว่าพวกโจรจงจับเอาพิสูุรูปโน้นหรือรูปโน้นไปเถิดดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นอันไม่ได้ทำสีมาสามเพทะเลยแสดงว่าใจังก็ยังไม่ได้สเสมอกันหมดอ่ะนะแสดงว่ายังมีใจลำเอียงอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เมตตาไม่ใช่เป็นเมตตาแท้ๆที่ที่ฝึกฝนมาเป็นอย่างดี แม้หากคิดว่าขอพวกโจรจงจับเอาตัวเราไปเถิดอย่าจับคนทั้งสามเหล่านี้เลยดังนี้ก็ชื่อว่าไม่ได้เป็นอันธรรมสีมะสำเพทะนั่นแหละไม่ได้ทำแบบนี้เลยเนาะะแสดงก็คือเราก็ต้องเมตตาตัวเองด้วยนะไม่ใช่เมตตาแต่คนอื่นแล้วก็เมตตาแต่คนอื่นแล้วทำตัวเองให้ทุกข์ก็ไม่ใช่ เพราะส่วนหนึ่งเนี่ยนะคนมีเมตตาแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นเสร็จแล้วตัวเองก็มาทุกข์ในเสียในภายหลังเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เราทํานี้แสดงว่าเมตตาไม่ไม่รอบครอบพอก็เหมือนกับการเจริญกุศลนั่นแหละเมตตานะถ้าเราเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องนะเราจะไม่รู้สึกเสียใจในการทํากุศลนั้นๆเลยยกตัวอย่างถ้าเราตั้งใจจะให้ทานด้วยความสุจริตใจ จ, จริงๆนะส่วนหนึ่งจะไม่เสียใจเลยว่าทานที่เราให้ไปแล้วเนี่ยจะไปเป็นลักษณะใด พอเราตั้งจิตไว้ชอบแล้วเมตตาลักษณะนี้ก็เหมือนกันถามว่าพาะา่เพาะเห่รายพาะเหตุว่าเธอปรารถนาการจับเอาภิกษุรูปใดๆไปก็ตามก็ชื่อว่าเป็นผู้สแสวงหานะเป็นผู้ทําไมเป็นสแสวงนะสแสวงหาเรื่องพิรุธให้แก่ภิกษุรูปนั้นๆเป็นผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลให้แก่บุคคลที่เหลือเท่านั้นนะเอาแสดงเป็นสแสวงหน่อยนะแกให้หนาย ถ้าหากว่าเราให้โจรเนี่ยฆ่าใครใช่ไหมก็แสดงว่าเราเนี่ยสแสวงหาโทษให้แก่บุคคลที่เราให้โจรจับแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีคนที่บอกว่าโจร น, นี่ไม่สมควรจับใครเลยก็แสดงว่ า, าใช้ได้ใช้ได้แต่ในเวลาใดเธอไม่เห็นว่า ในระหว่างชนทั้งสีแม้สักคนหนึ่งที่ควรให้แก่พวกโจร น, นะจิตเป็นไปในตนเองและชนสามคนที่เหลือเหล่านั้นสม่ำเสมอกันทีเดียวในเวลานั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ทําสีมาสามเพทะแล้วจิตนี้เสมอกันหมดเลยเนาะก็ไม่ได้คิดจะให้ใครซ่าคนเลยเพราะเหตุ น, นั้นท่านโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าในเวลาใดพระโยคีใช้คําว่าโยคีนะ โยคีแปลว่าแปลว่าอะไรโยคีก็มาจากโยคะโยค่าก็แปลว่าการประกอบอผู้ที่ประกอบความเพียรเนืองๆเจริญเมตตาบ่อยๆเรียกว่าพโยคนนะีคนที่ประกอบในเรื่องในการเจริญสมถะวิปัสสนาบ่อยๆเรียกว่าพโยคีหรือบางทีใช้คําว่าโยคาวจรโยค่าก็คือการประกอบนั่นแหละอวจรก็คือท่องเที่ยวไปในการประกอบสมถะและวิปัสสนา พันพโยคียังความ ย, ยังเห็นความแตกต่างกันในชนทั้งสี่พวกคือในตนเองคนเกลื้อกูลในเวลานั้นเรียกว่าเป็นผู้มีจิตเกลื้อกูลต่อสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นนนะไม่เรียกว่าเป็นผู้ได้เมตตาตามความต้องการคือถ้าเรายังแบ่งความรักของเราอยู่นะคือยังยังมีความรักแค่เรากับคนที่เรารักหรือเราเคารพเท่านั้นแหละแสดงว่ามีเมตตา แต่ก็ยังไม่เรียกว่ามีเมตตาแบบสม่ำเสมอตามความต้องการหรือว่าเป็นผู้ฉลาดในเมตตาอะไรเนี่ยนะครคนที่ฉลาดในเมตาก็ต้องส า, สามารถที่จะทำให้มีเมตากับสัตว์ได้ทั้งหมดนั่นแหละในเวลาใดภิกษุมีอันทำลายเขตแดนทั้งสี่ได้แล้วแผ่เมตตาไปยังโลกทั้งปวงพร้อมทั้งเทวดาได้เสมอเท่าเทียมกันเนี่ยนะเทวดามนุษย์เนี่ยรักเทวดากับรักมนุษย์เท่ากัน นะถ้าเจริญไม่ดีนึกถึงเทวดาอยากจะอ้อนวอนขอร้องอย่างหนึ่งไม่ใช่นะมีเมตตาเร า, เรากับเทวดานี่มีเมตากับเขากับเราเนี่ยเท่ากันนะคนทั้งหลายในโลกสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเมตตาไม่ต่างกันเลยนะเมตาก็ไม่มีเขตแดนเมื่อ น, นั้นเธอก็ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่วิเศษกว่าภิกษุรูปก่อนองนั้นนะภิกษุรูปก่อนก็คือยัง เมตายังไม่กระจายไปทั่วไปหมดใช่ไหมยังมีเมตตาเออเมตตาคนนี้ไม่เมตตาคนนี้เนี่ยนะก็มีลูกหลายคนก็เมตตาลูกคนนี้มากคนนั้นน้อยไม่สม่ําเสมอเท่ากาันเอาเมตตาลูกทุกคนแล้วถามว่าเราต้องต้องให้เสมอกันหมดไหมถ้าเราจะให้สมมติมีลูกสี่คนนะเรานี่มีเมตตาในลูกทั้งสี่คนสม่ําเสมอเท่ากันหมดเลยถ้าเราจะให้สตางค์ลูกไปโรงเรียนเนี่ยนะให้ร้อยหนึ่งต้องร้อยทั้งสี่คนเลยหรือเปล่า จึงจะชื่อว่ามีเมตตาเมตตาเราสม่ำเสมอไม่ลำเอียงเลยเป<ำ>็นยังไงคุณครูสอนแล้วทำไงำอ่ะเจ้าเจ้า<ำ><ำ>นี่แสดงว่ามีเมตตานะก็คือเมตตาเรียกว่าเมตตาเท่ากันจริงแต่ว่าการช่วยเหลือก็ตามความเหมาะสมนั่นแหละนะความเหมาะสมคืออะไรก็ให้ตามความเหมาะสมนั่นไป ะบางทีเด็กเกินไปที่จะเขาจะไปบริหารทรัพย์บางอย่างหรือไปใช้ทรัพย์บางอย่างไม่เป็นนี่ก็ก่อความเสียหายให้แก่เขานะนะหคือคนบางคนนั้นมีทรัพย์มากไม่ได้นะเชื่อไหมมีทรัพย์เมื่อไหร่เอาไปทํามากุศลทุกทีเลยนะก็ตั้งให้ทรัพย์พอประทังชีวิตไปก่อนเจริญพนกุศลหรือวิบากเมื่อไหร่ก็ทําบาปทุกทีเลยนะอย่างอย่างบางท่านเนี่ย มีเงินสิ บ, บาทไม่ได้เลยไปกองเล่าทันทีเลยเห็นละในที่แห่งหนึ่งอะ่ะคนนี้มีสตังค์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าจะช่วยคนนี้ต้องซื้อเป็นข้าวไปให้แล้วจึงจะได้ให้เป็นเงินไม่ได้นะเห็นไะอย่างบางทีเนี่ยนะเราเราไปตามบคสตามคีวรถต่างๆเนี่ยคนเขาจะขอเงินไปซื้อตัว๋วซื้ออะไรเนี่ยนะถ้าจะช่วยเหลือเขาจริงๆเนี่ยนะไปซื้อตั๋วให้เลยเอาไหมจะไปซื้อให้เลย หนึ่งถ้าคนมาขออาหารกินเนี่ยนะถ้าเราพอมีเวลาเนี่ยนะถ้าเรากลัวก็หลอกลวงนะไปซื้อข้าวให้เลยมีคนอยู่คนหนึ่งเหมือนกันก็นามาขอบอกว่าผมเนี่ยมาได้กินข้าวมานอนแล้วมาไปเดี๋ยวไปซื้อให้กินเลยอ่าพอซื้อให้ที่จริงเขาก็ดูสีหน้าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อยากกินข้าวนะเขาอยากได้ตะตังมากกว่าเอาแต่ขอข้าวเราให้ข้าวอะ่ะนะ <c oughs> แล้วเราก็จะรักษาใจได้เหมือนกันนะะแล้วเราก็สบายใจด้วยแต่ถ้าหากว่าเอ้มันหลอกเราหรือเปล่าเนี่ย อภราระปริยะเจตนาไม่ดีแล้วนะอภราระปริยะเจตนาไม่ดีก็ไม่ดีนักนะแล้วก็ท่า น, นการเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเนี่ยนะต้องคํานวณว่ากุศลนั้นเรารักษาใจาได้ไหมมีมีความสําคัญมากเพราะว่าในชาดกเนี่ยนะอย่างโกศยาเศรษฐีบางท่านเนี่ยเพราะให้ให้แล้วเสียดายในภายหลังชาติหลังมาเนี่ยอย่างเขาไปใส่บาตรท่าพระเจดเข้าไหมให้ให้สั่งให้ภรรยานี่ไปใส่บาตร ภรรยาก็ไปใส่บาตรทีนี้พอไปเห็นบาตรแล้วทำใจไม่ได้อ่ะอาหารมันออ้นี่ถ้าให้ลูกน้องกินนะได้งานไปตั้งเยอะอ่ะความบาตรท่านเลยะนะเสียใจในภายหลังอ่ะรู้สึกเสียดายจนถึงกับความบาตรเนี่ยนะเสร็จแล้วก็บอกว่าด้วยผลที่เกิดจากการให้เนี่ยบอกให้ให้เนี่ยก็ทำให้ไปสวรรค์ตั้งหลายชาติแต่ว่าเพราะผลแห่ง ความเสียดายในภายหลังเนี่ยนะเกิดทุกชาติตนีหมดเลยเนี่ยนะถ้าร่มนี่ต้องหาใบาตานใบไม้สักอันหนึ่งมากั้นมาพอข้าวนี่ก็หาข้าวปลายหักกินกับน้ําผักดองเนี่ย ก, กินอยู่แค่นั้นแนหะแต่ว่าหัวเงินเนี่ยล้นฟ้าเหมือนกันแต่แต่กินอยู่เท่านั้นรถก็ไปหารถเก่าๆผุๆมาใช้ให้มากที่สุดเหมงอนกันนะอันนี้เป็นผลที่ว่าเกิดจากทํากุศลแล้วเสียดายในภายหลังเหมือนกันแต่เอะโทษที่ไปคว่ำบาตรหรืออะไรนะั้นก็ พอหมดบุญเนี่ยนะเพราะตอนที่แกเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยเพราะผลที่ทําบุญและเสียดายในภายหลังก็ตรหนีมาตลอดเลยไม่เคยคิดจะให้ใครเลยแล้วก็ไม่มีลูกนะด้วยกรรมบางอย่างทําให้ไม่มีลูกอยู่ร้ายชาติมันทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ทุกชาติเข้าคลังหลวงหมดเลยลกรรมมันก็ยุติธรรมนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการทํากุศลที่ฉลาดก็คือพยายามคํานึงเสมอว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วเนี่ยรักษาใจได้ไหม เนี่ยนะถ้าข้าวของที่เราทําบุญไปแล้วเนี่ยสามารถตบมือได้ไหมนะเหมือนอุปถากของพระผู้มีพระภาคพระองค์หนึ่งเห็นไหมอุปถากภาพมา้ากับสปะสร้างพระคันธูกุติอย่างดีถวายพระพร ะ, พระพุทธเจ้านะทีนี้โจรมาจุดไฟเผากุติแกนะคนก็ไปบอกแก ต, ตบมือดีใจเลยนะโอ้ดีดี ด, ดีเอาถามมาทําไมเป็นอย่างนั้นเอาบุญที่ทําไปแล้วกว็เป็นบุญไปแล้วบุญนั้นสําเร็จไปแล้วอะ่ะ ดีซะอีกจะได้ทำบุญใหม่แกก็นึกลักษณะนี้นะแกก็ฉลาดหาเรื่องทำกุศลไปเรื่อยเพราะว่าก็รู้ดีอยู่แล้วว่ากุฏินี้เป็นรูปกี่รูปกุฏิมีกี่รูปออนี่ที่อยู่เนี่ยที่อยู่เนี่ยเอแต่และคิดชา ม, มาก <c oughs> อ, อวินิโพค ร, รูปแปดเท่านั้นเองเนาะ น, นีหลังนี้ทั้งหลังนะวินิโพค ร, รูปแปดเท่านั้นเองนะ ตึกบ่อยหรือเปล่าไม่รู้เอาวนี่โพค ร, รูปเนี่ยเรียกว่าสีนะจับก็เป็นจับต้องก็เป็นโพธภะเนี่ยนะแต่ว่าสีโพธาภะอันนี้เนี่ยประโยชน์คือป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนบาบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสารเละคลานทั้งหลายแล้วก็สา ม, มารถที่จะหลีกเล้นทำอะไรก็ได้อย่างที่เราต้องการเนี่ยนะถ้าเป็นผู้ที่ฉลาดในการเจริญกุศลก็สา ม, มารถที่จะ จเจรินกุศลได้แต่ที่จริงค่าที่เป็นจริงของเขาโดยประมาท ธ, ธรรมแล้วก็คืออวินิพกครูป8เท่านั้นเองอันอวินิพกครูป8ดเหล่านี้เนี่ยคนไปเกี่ยวข้องส่วนหนึ่งได้บุญนะคนไปเกี่ยวข้องส่วนหนึ่งก็บาปไปนั น, นะมหาเศรษฐีที่คิดสร้างนั้นก็เป็นมหากุศลไปนั น, นะก็อวินิพกครูปเท่านั้นแหละแต่โจรไปคิดทําลายนั้นเป็นบาปไปสิ่งเดียวกันเนี่ยก่อให้อา ร, รมณปัจจัยเนี่ยอันเดียวนั่นแหละ บางคนเนี่ยเป็นมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่เลยนะเพราะสร้างถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาโจรเนี่ยคิดโอ้โหไปทำลายพระคันธุกุฏิตอนหลังไปเกิดเป็นนะไปนรกหนึ่งพุธทธันดรนเลยแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตเนี่ยไฟเนี่ยลุกแต่หัวจรดเท้าเลยลุกไฟไม่ตลอดเลยนะเพราะอารมณะปัจจัยอารมณะปัจจัยเดียวนั่นแหละ ทถ้าหากว่าสามารถเจริญเมตตาไม่มีเขตแดนได้ทั้ง4ประเภทอย่างนี้แล้วพิสูนนี้เป็นอันได้นิมิตและอุปจาระได้ทั้งนิมิตได้ทั้งอุปจาระในดีกาที่บายว่าสีมาสามัมสีมาสัมเพทะตามที่กล่าวแล้วที่พโยคีได้แล้วคือทำได้แล้วนี้ใดสีมาสัมเพทะ น, นั่นแหละชื่อว่านิมิตเพราะอัดว่าเป็นเหมือนนิมิต จริงอยู่เมื่อพโยคีได้สีมาสามเพทะนั้นแล้วนิวร์ทั้งหลายก็เป็นอันถูกข่มไว้ได้แล้วทีเดียวขณะที่เจริญเมตตาทั้งในทั้งบุคคลสประเภทเนี่ยนะมีเมตตาเท่ากันหมดแล้วขณะนั้นนิวร์ไม่มีแล้วนะนิวร์เนี่ยถูกข่มแล้วด้วยกําลังแห่งเมตตาเพราะความที่ภาวนามีความดีล้ํายิ่งกิเลสทั้งหลายสงบนิ่งไปทีเดียวไม่มีปัใจจัยให้เกิดเลยนะอกุศลในขณะนั้นนะ จิตเป็นอันตั้งมั่นด้วยอุปจาระสมาธิแล้วทีเดียวขณะนั้นเป็นอุปจาระเลยเพราะไม่มีใครที่เรากโกรธเลยแล้วจิตมันหวังประโยชน์เกื้อกูลทั้งหมดแล้วในขณะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าเป็นอันได้นิมิตและอุปจาระานะเพราะาได้นิมิตอุปจาระสิ้นการพร้อมกับการทําลายเขตแดนได้อย่างนี้นั่นเองนะเมื่อมีใจนึกหาคนที่เรากโกรธไม่มีเลยในหมดเนี่ยก็ทําลายเขตแดนได้หมดแล้ว นิมิตก็เท่ากับเทียบเป็นปฏิภาคานิมิตนนะนะอก็ภิกษุเมื่อได้สีมาสามเพทาแล้วซ่องเสพเจริญกระทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นนั่นแหละอยู่ย่อมบรรลุอัปปนาตามนัยที่กล่าวแล้วในปฐวีกสินได้โดยไม่ยากเลยนะเจริญไปเรื่อยพอกพูนไอ้นิมิตอั น, นั้นมากๆเข้าจิตก็จะถึงความเป็นอัปปนาก็จะเป็น ฌานจิตได้ด้วยความพยายามเพียงเท่านี้เป็นอันพิสุได้บรรลุปฐมฌา น, นนะนะปฐมฌานแต่ว่าไม่ใช่อยู่แค่นี้นะเขาพกพูนต่อไปก็จะได้ปฐมฌานอันละองค์5ถึงพร้อมด้วยองห์5ละองค์5ก็คือละนี่วอนหถึงพร้อมด้วยองค์5ก็คือวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตามีความงาม3ประการงามในเบื้องต้ น, ง า, นาา ง, งามใน่ามกลางงามใน ที่สุดสมบูรณ์ด้วยลักษณะ10เป็นปฐมฌานที่สหระคตด้วยเมตตาโอ้ถ้าจุติขนาดนั้นเนี่ยสบายเลยนะพร ม, มโลกนะไปพร ม, มโลกเลยเนาะก็เมื่อเธอบรรลุปฐมฌานนั้นแล้วซ่องเสพเจริญกระทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นนั่นแหละอยู่ย่อมบรรลุฌานที่สองกับที่สในจตุกนยัยนีย น, นะคือเมตตาโดยจดตุกนายได้เฉพาะ ต, ะตัตยฌานเท่านั้น และชาญที่สองที่สามและที่สี่ในปัญจกะในได้ตามลำดับโอ้สบายเลยนะโกรธ แ, แท้เลยมันทำให้ไม่ได้ชานวงนี้เนาะโธ่สะแท้ๆเลยแต่อย่าลืมนะคนที่เจริญเมตตาเนี่ยนะอัธิกูปมาตามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูก <c oughs> ความสำคัญเนี่ยนะต้องเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าคนที่เจริญชานคนนั้นต้องเห็นโทษของกามจริงจึง เพราะเห็นโทษของการมมาพบเลยแบบนั้นเถอย่าว่าเห็นโทษเฉพาะสีเสียงอย่างเดียวเฉพไหที่เห็นเนนี่นะเห็นโทษการมมาพบทั้งการมมาพบทั้งหมดเลยนะจึงจะเจริญฌานได้เพราะคนที่เจริญอรูปฌานเนี่ยต้องเห็นโทษของกรมมาวจรทั้งรูปภาวจรทั้งหมดจึงจะเจริญอรูปฌานได้คนที่เจริญอริยมรรคได้คนนั้นต้องเบื่อพบสาหมดเลยจึงอริยมรรคจึงจะเกิดขึ้นได้นะแต่ถ้าเออ เลือกบางอย่างนะขณะนั้นยังก่อนน้อีกนานได้มีใครแบบสนทนาอะไรบ้างไหมใครสั ก, กคนครับที่เห็นโทษของกามจริงๆนะ แล้วก็ไปเจริญสมถานนี่นะคือจริงๆแล้วคุณต้องต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับคือคนที่เป็นลักษณะนี้นะของของมาเนี่ยเชื่อว่ามีอยู่แต่ว่าเท่าที่เราสังเกตแล้วนะถ้าคนดีจริงๆเนี่ยนะเขาคุณธรรมเขาจะไม่พูดเลยเนี่ยนะเขาเขาจะไม่พูดน้อมไปหาอะไรเขาหรอกหรือคนที่เขาดีจริงๆเนี่ยนะส่วนที่ดีจริงๆเขาจะไม่พูดถึงเลยนะเท่าเท่าที่สังเกตข้อความนะ ในข้อความในพระไตรปิฎกส่วนหนึ่งเนี่ยคนคเรียกว่ามักน้อยในคุณธรรมเนี่ยนะจะไม่เล่าเลยนะนะหรือบางทีบางสูตรก็กล่าวใช่ไหมถ้าบัณฑิตเนี่ยจะกล่าวเฉพาะความชั่วที่ที่มีอยู่จะไม่กล่าวถึงความดีที่มีอยู่แต่ถ้าคนพานก็จะกล่าวเฉพาะไอ้ที่ดีที่มีอยู่เนี่ยมีดีเท่าไหร่เอาออกมาหมดนะนะเพราะฉะนั้นคนที่ดีๆส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจึงไม่ไม่มาเล่าให้ฟังแน่นอน <laughs> มาเชื่ออย่างนั้นเลย ถ้าไม่สนิทไม่คุ้นเคยไม่ไม่เป็นที่ประทับใจของเขาเขาก็ไม่เล่าให้ฟังเนี่ยนะเท่าที่เท่าที่เข้าใจเป็นอย่างนั้นเะแต่ส่วนใหญ่มักจะเจริญ <c oughs> เจริญสมถะโดยที่ก็ยังไม่รู้โทษของกรรมหรือว่าไม่คิดจะเบื่อหน่ายลีกกรมอะไรเนี่ครับโดยมอกก็มัจะมุ่งตรงไปว่ามันเป็นมหากุศลชั้นสูงอะไรเนี่ยเจ้าชานอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมครับทั้งทไม่รู้โทษของกรมเนี่ยแล้วเจริญสมถะเนี่ย ต้องเห็นโทษนะแต่ก็มีพระราชาองค์หนึ่งเนี่ยในพระราชวังเนี่ยกำแพงมันสีขาวกาแพงวังเนี่ยนะกแพงในห้องเนี่ยมันสีขาวก็นั่งดูฝ้านั่นแหละทำจนได้ฌานนะมองดูฝาเนี่ยจนได้ฌานเลยสีขาวที่บริกรรมอย่างดีเนี่ยโอทาตกะสินได้ฌานพอได้ฌานเนี่ย บ้านเมืองไม่ดูแลเลยค่นี้ไม่บริหารบ้านเมืองเลยเนีพอพอได้ชาญเขาบอกว่าขนาดคนได้ชาญเนี่เป็นพระราชายัางไม่ยินดีในทรัพย์อันนั้นเลยตอนหลังก็ออกบวชเลยบางองค์เนี่ยพระราชาบางองค์เนี่ยระหว่างชาญกับราชวังเนี่ยหรือหรือบาลังเนี่ยจะเอาอันไหนเนี่ยนะเพราะท่านได้แล้วนะท่านก็แยกแยะเลยใส่แล้วท่านบอกว่าท่านเอาชาญมันท่านก็เลยทิง้งทิ้งการดูแลบ้านเมืองทั้งหมดเลย มันถ้าหากว่าคนได้ฌานตามแนวพระไตรปิฎกเนี่ยนะเป็นคนที่รังเกียจกามเห็นโทษของกามแล้วสัญญาณนะวิตกและสัญญาที่สหรคตรด้วยกามเป็นไปเพื่อความเสื่อมจากปฐมฌานนะถ้าไปมัวยุ่งเกี่ยวกับเรื่องกิจต่างๆเนี่ยนะเป็นไปก ร, รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยก็ฌานก็เสื่อมมีพระราชาบางองค์ได้ฌานแล้วได้ฌานมีบางวันต้องไปวินิจฉัยคดีพอไปวินิจฉัยคดีเสื่อมเลยกลับมาเข้าฌานไม่ได้ นะก็เลยว่าเอ๊เราจะเอาอันไหนดีระหวังบ้านเมืองกับชาญเนี่ยนะเอาอันไหนตอนหลังท่านก็เลือกเอาเอาชาญแต่การเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินะครับก็ยังไม่ได้เห็นโทษของการมขนาด น, นั้นแต่วัตถุประสงค์เจริญเพราะว่าเห็นโทษของอกุศลแล้วก็เห็นอนิสงค์ของการ เ, เจริญก็ไม่ทราบว่าอย่างอนุสติสิบนี่จะเกี่ยวข้องกับ เห็นโทษของกามหรือว่าลังเกียดกามไหมครับอนุสติสิบนั้นเป็นกรรมฐานที่ไม่ได้ชาญก็เป็นสมถะอย่างหนึ่งเป็นสมถะ แ, แต่ว่าไ ม, วไม่ได้่ยวข้องกับเรื่องกามใช่ไหมครับเรืงงร่องอะไก็คือจิตในขณะที่ปรารบผู้ทานอนุสติเป็นต้นจิตในขณะนั้นก็สงัดจากราคะสงอาจากโพสะสงอาจากโมหะเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็สอนเรื่องอนุสติสิบให้แก่อริยะสาวกที่ครองเรือนอยู่ เ, เห็นโทษของอกุศลก็เห็นโทษของราคะโทสะโมหะเนี่ยนะคือพระเจ้ามหานามะเนี่ยสูตรนี้แสดงกับพระเจ้ามหานามะพระเจ้านะมหานามะเนี่ยเป็นพระสะกาดฮาคามีคือบางวันเนี่ยนะจิตมันฟุ้งอะ่ะกิเลสมันเกิดขึ้นอะ่ะก็ก็ยกเอาปัญหานี้ไปปรัรบกับผู้ธเจ้า ว, ว่าเอ๊ะทำไมข้าพระองค์กิเลสยังฟุ้งอยู่เนี่ยนะพระองค์ก็แนะนําให้เจริญผู้ทธานุสติเป็นต้นนั่นแหละ เพราะว่าแทนที่จะปล่อยให้จิตมันคิดไปเรื่อยเปื่อยก็มาคิดถึงพระพุทธคุณแต่สมัยก่อนนั้นเข้าเจริญพุทธคุณง่ายนี่ไหมทำไมฮะไม่ง่ายงายก็เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันนึกถึงพระพุทธเจ้ายากอะไรไงเนาะก็เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันนี้ของเราต้องมาอ่านแล้วค่อยค่อยนึกตามนั้นนะของพระองค์ไปทําพุทธกิจที่ไหนไปโปรดใครใครบรรลุที่ไหนเราก็ได้ข่าวมาเรื่อยเรืยเ โอ้พระองค์เป็นอารหันนะพระองค์มีบารมีนึกถึงโอ้เป็นผู้ที่มีบุญมากมายมหาภริศละักษณะก็เห็นอยู่ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเจริญไม่ยากทํามานุสติก็เห็นคนบรรลุธรรมอยู่ทุกวันโอ้สูตรนี้คนเหล่านี้บรรลุสูตรนี้คนกลุ่มนั้นบรรลุโอ้ธรรมะของพระองค์นี่เป็นนิยานนิกระทาจริงๆก็นึกง่ายพรผส์กับปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบนึกไปวัดไหนก็เจริญได้หมดแล้วโอ้ยพระวัดนี้อุศปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโน นึกเจริญอนุสติเนี่ยเจริญไม่ยากนักแต่ยุคนี้ข้อมูลไม่พอเนี่ยอยากนะ